มีหลวงออพาวินพระเนนิมอนครับ <c oughs> อยู่ที่ไหนครับอตอนนี้อยู่ที่อตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยุธยาครับอยุธยาครับผมครับมีอะไรอยากจะถามไหมโอ้ เ, อเริ่มเลยครับอ๋ออืมเอ่อแป๊บหนึ่งนะครับมีความอยากแล้วอือมีความอยากแล้วอยากเป็นอ่าโสดาบัน แล้วก็เอ่อก็เหมือนกับว่าอยากอยากเป็นซ e อมันก็เลยเป็นความรู้สึกคล้ายๆกันแล้วก็จะเอ่อมุ่งมั่นไปในอนาคตมากกว่าอยู่ปัจจุบันมันก็เลยจะมีการขัดแย้งอยู่ในตัวเองเพราะว่าจะ ต, ต้องบอกตัวเองว่าไม่ให้อยากแล้วก็ไม่ให้เป็นโซดาบันแต่มันก็อยากเป็นอยู่งั้นมันก็เลยเป็นการขัดแย้งกันจะออกรูปแบบนี้อย่างไรครับ อ๋อความอยากเป็นโสดนานนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรเนี่ยเป็นธรรมะถ้าไม่อยากเป็นมันก็ไม่ไปปฏิบัติธรรมเลยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนอยากจะออกจากบ้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นไหยมันก็ไม่ได้ออกจากบ้านมันก็อยู่ในบ้านใช่ไหมทีีพอเราอยากออกจากบ้านแล้วเราก็ต้องไปทําตามความที่เราต้องการคืออะไรก็เอาเดินทางไปสิใช่ไหม ก็เหมือนกันขณะที่คุณเดินทางคุณก็อย่าประหยากให้มันถึงว่า ม, มันยังไม่ถึงมันก็เดินทางไปเรื่อย<ฮ>ๆตอบรดไปเรื่อยๆยื้อขึ้นลดอะไรไปก็เรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงจุดหมายไปใช่ความอยากมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นฉันทะ ท, ทํ า, ามมทํารมเรื่อยๆฉันทะมันมีฉันทะมันก็มีวิรยิยะใช่ไหมความเพียรเราเพียรที่ทําตามความอยาก แต่ว่าระายะาวความอยากมากว้างมาขวางกัน้นความเพียรก็แล้วกันอ ย, กอยากอย่างเดียวแต่ไม่มีวิริยะนี่มันก็ไม่ได้ไม่อยากแล้วก็ต้องศึกษาว่าการจะเป็นสุวรรณมันต้องทำไงต้องละทั้งโยต์สามข้อใช้ไจละก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาระดับไหนน่ะปัญญาระดับภาวนามยปัญญาก็ต้องไปสร้างภาวนามยปัญญาขึ้นมา เอานะมายาปัญญาก็ต้องมีสมาธิอัปปนาเป็นผู้สนับสนุนมันต้องไปฝึกสมาธิทำจิตให้เร็งเป็นอัปปนาก่อนแล้วก็มาพิจารณาใจรักอ น, นิจจทุกขังหน้าตาในขันห้าถ้าพิจารณาเห็ว่าเป็นไตรักอ น, นิจจทุกขังหน้าตาแล้วก็ปล่อยวางความอยากในขันห้าได้มันก็จบต้องปฏิบัติ ทำอย่างนี้เป็นจุดเริ่มต้นไม่ไม่เป็นไรแต่ใหญ่ปยากยั้เฉยๆอย่าก็าไม่เอาเออกไปปฏิบัติมันก็ไม่ได้เ mm. ป็าะฉนั้นนั่งสมาธิก็นั่งไปมีหน้าที่ทําสมาธิก็ทําไปแต่อย่าประยากให้จิตรวมอย่าปอยากให้มันเป็นอะไรอ น, นั่งนี้ไม่ให้คิดอะไรให้อยู่ให้รู้เฉยๆรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็น mm. กว่าจิตจะวรวมเป็นอัปปนาสมาธิ ก็จะได้โอเบคขาพอได้โอเบคขาเอาจากสมาธิมาก็พิจารณาตายรักในขันห้าลายพอเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยมันไปอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตา ย, เ, ยเราก็ไม่ทุกข์กับมันต้องปฏิบัติต้องมีฉันทะก่อนต้องมีความอยากเป็นพระสดารรนาราพุทธเจ้าอยากจะหลุดพ้นในะ่ท่านหลงออกท่านหลวงสละ สละราชสมบัติท่านไม่อยากจะหลุดพ้นท่านก็อยู่ในวังต่อไปเลราะออมแล้ว oh. ท่านก็ไม่ได้มานั่งอย่างอย่างเดียวท่านก็มาทําหน้าที่เพื่อให้หลุดพ้น mm. ท่านก็ไปบวชถือศีนเรียนสมาธิกับครูบาอาจารย์ mm. ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นก็สอนได้แค่ระดับสมาธิปัญญาไม่มีใครรู้ mm. ท่านก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเอง ในที่สุดก็พบอริยาสัจสี่ตายรักให้เกิดแรงหนุดพ้นได้อาจารย์หรืยังความอยากนี้ไม่เสียงมันต้องรู้ว่าจุดมันมีหน้าที่ทําอะไรมันมีหน้าที่ปลุกระดมให้เราออกไปปฏิบัติครับแล้วก็ไปความอยากใช่ไหมถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่มันก็ยกยกท้องขาวพอพอเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นโสดาบันแนละ้วมันก็อยากจะกลับไปเป็น โยมนี้มัก็ลาเสกขาไปเห็นเป้าหมายอยากอันนี้เป็นการตั้งเป้าหมายอยากเป็นสวาด่านอยากจะไปอยุธยาเงี้ยก็ต้องมีเป้าหมายนอมีเป้าหมายแล้วก็ออกเดินทางไปที่อยุธยาต่อถ้าอยากแบบนี้ไม่เป็นอะไรไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วก็อยากไปเรื่อยๆอยากให้มันเป็นโดยที่ไม่รู้ว่า ทำยังไงให้มันเป็นอยากเป็นแบบสูญเลาไปมันก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรเป็นเหตุเป็นผลนะทุกอย่างมีเหตุมีผลพรนะเจ้าสอนทุกอย่างผลเกิดจากเหตุโสดาบันเกิดจากอะไรเกิดจากอัรละสังโยชน์สามอันละสังโยชน์เกิดจากอะไรเกิดจากปัญญาปัญญาต้องเกิดจากอะไรต้องมีสมาธิสนับสออนุนภาวนาไมยะปัญญานะ เราไปสร้างสมาธิขึ้นม า, าไปสร้างอัปปนาสมาธิพอได้แล้วก็เอาปัญญาใจรักอริยสัจสี่มาอสอนใจให้ปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางถนานห้าตอนนี้เราไปยึดติดขา้าวเป็นตัวเราของเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ความจริงเราไปอ้า ม, มันได้ไหมไม่ความแก่ความเจ็บความตาย อยากไปก็ทุกไปเปลาเปล่าใช่ไหมเวลามันแก่แต่ถ้าไม่อยากแล้วมันจะทุกข์ไม่ทุกขแล้วละ่ะแก่ก็แ ก, ก่ไปนะเจ็บก็เจ็บไปเลยตายก็ตายเลยต้องไปทําข้อสอบสามข้อนี้ทําทได้เปล่าเวลาร่างกายเจ็บเฉยๆได้เปล่าปล่อยวางได้หรือเปล่าเวลาร่างกายจะตายปล่อยวางได้หรือเปล่าอันนี้ว่าเป็นการละสักยติทิฏฐิ เข้าใจอ่ะเข้าใจครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนมาบวชทุกคนนี่ปรารถนามักนิพพนิพันธ์ทั้งนั้นอ่ะเพราะกคำว่าภิกษุแปลว่าอะไรรู้ป่ะภิกษุเอ่อออกบวชครับบวชครับทําให้นิพพานแจ้งครับเอ่อถ้าภิกษุนี่คือผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารใช่ไหมครับอันนี้ก็คือความอยากว่าอยากว่ัฏฏสงสารแล้วมันผิดตรงไหนมันไม่ผิด ถ้าไม่อยากจะว่าตัดสงสัยก็ไม่มาบวชสลยก็อยู่เป็นคารวะไปหาราภยุศเสริญสุขนี่โอเคนะมีอะไรไหมอือจิตชอบไปอยู่ในอนาคตครับแล้วก็ต้องบอกจิตให้อยู่ในปัจจุบันครับพุทโธพุทโธพุทโธใช้กรรมฐานยึงไว้ตั้งบริกรรมพุทโธพุทโธมปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเอามันจะไปอดีตไปอนาคตก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหยุดความคิด มันไม่คิดมันก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันได้อันที่แหละง่ายๆมันอยากไปเราก็ใช้พุโทโธหนึ่งมากรรมฐานาพุทธาทัสติเวลานั่งสมาธิกับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวเ๋ยวจิตเข้าลวนะไม่ยากไม่ยากที่จะทำไม่ทำนะครับมีอะไรไหมแต่ไม่มีครับ Okay. คุณท้าสนาอยู่ที่ไหนเนี่ยามไม่ได้แล้วก ล, กลุงเทพค่ะท่านเทพน ะ, ะท่านได้ยินัช่ไหมคะได้ยินชันดเลมีอะไรไหมพูดได้เลยมีค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วก็ที่ที่เรียนท่านว่าก็จะเริ่มสื้อสินแปดเพราะว่าเริ่มแับ นั่งเริ่มฝึกสติแล้วก็นั่งแล้วก็ฝึกสมาธิประมาณวันนึงสามครั้งนะคะเช้ากับวันเย็นแล้ววันพระที่แล้วก็เริ่มอุโบสถศีลก็ผ่านไปได้โอเคแล้วก็กะว่าจะอุโบสถศีลทุกวันพระนะคะท่านวันนี้มีคําถามสองสองคำสองคำถามค่ะก็คือคําถามมันแรกอะค่ะการบ้านที่ท่านให้ให้ท่องเอ่อให้สวดเป็นจักสวดเชินวันชรเป็นสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็สวดบ่อยๆแล้วมันเริ่มมันเริ่มมีคําถามนิดนึงเพราะว่า ท่านบอกว่าให้สวนแล้วก็ให้ทําเรื่องของอกายค่ะาขาขาสติใช่ไหมคะก็มีคําถามนิดนึงเรื่องอันแรกค่ะเรื่องของกายานุปสัสสกายย า, ส, าสตินุปัสสถานเนี่ยคะ่ะก็คือที่มันมีหกหมวดเออยากสงสัยอยากจะถามท่านว่าเราฝึกสติเนี่ยเราก็คือจะฝึกสติสลับกันไปมาใช่ไหมคะระหว่างระหว่าง อ, อนาปานาบันกายอริยบทบันเอธาตุบันสัมปัชนชาบันคือหมานถึงว่าต้องเวียนให้ครบหก มไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลือกเวลาในหกวันในหกบวนนี้มีบวชที่ใช้กับสติอยู่อันเดียวคือกายะกะตาสติคือการดูอิริยาบทอยู่การเคลื่อนไหวต่างๆ oh. เราเราเร า, เราไม่ได้นั่งเฉยๆทั้งวันนะเราตื่นมาเราก็ลุกขึ้นมาเดินมาทําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย อ๋อคือยังไม่ต้องยังไม่ต้องดูกระดูยังไม่ต้องอะไรทรั้งสิ้นก็คือว่าเราฝึกสติขต่อไปขั้นที่ปรารถนาเราฝึกสติแล้วก็นักทำ อ, ป อ, ปอาปะอาปะอาณาปณสติให้ได้ก่อนอโดยการที่พอเราเปลี่ยนขึ้นมาเป็นถือศีลแปดปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะทําให้จิตรวมได้ตอนนี้จริงๆแล้วพอเราเริ่มจริงๆริงตอนนี้พอเราไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ไลน์นะคะไม่ได้ดูข่าวสมัยก่อนทีวีไม่ดูอยู่แล้วดูแต่ข่าวแต่พอเรามาถือศีลไปแล้วเราก็ฝึกสมาธิเนี่ยก็ไม่ได้ดูข่าวด้วยท่าน จริงๆแล้วจิตใจมันก็เลยสงบเพราะว่ามันไม่ต้องดูข่าวอะไรก็ได้ฝึกสมาธิก็รู้สึกว่าก็เจอคือมีความรู้สึกมีสติมากขึ้นนะคะท่านแล้วมันสงบง่ายขึ้นเพราะมันกุงมันช่งมันช่งน้อยลงถ้าดูข่าวมันก็มาคิดกุงแต่กุงในใจแล้วก็ตอนเช้า่ท่านแนะนําให้ไปนั่งใต้ต้นไม้พอดีที่บ้านก็มีต้นไม้ใหญ่ค่ะก็ปกติก็จะให้อาหารนกอะไรอยู่แล้วก็เลยไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนที่ท่านบอกตอนเช้านะคะก็ก็รู้สึกว่าดีเพราะมัน มันก็รู้สึกดีขึ้นเลยตอนเช้าก็จะย้ายที่ไปนั่งที่ใต้ต้นไม้แล้วก็ตอนบ่ายก็มาฟังที่ท่านเทศแล้วก็ตอนคืนก็สวดแล้วก็นั่งสมาธิฝึกคือนั่งที่ไหนก็ได้เป็นสมัยพุทธจารเนี่ยพระท่านอยู่ในป่าท่านก็เลยไปนั่งใต้โคนไม้ ก, กันอถ้าญาติโยมไม่มีต้นไม้ก็ไม่ต้องกังวล น, นั่งในห้องก็ได้เพราะมันเป็นที่เปลี่ยวที่มันไม่มีใครมารบกวนหรอกให้มันวิเวกให้มันอยู่คนเดียว แล้วก็ไปนั่งที่ไหนก็ได้ที่มันวิเวกครับบริตัสมัยก่อนท่านอยู่ในป่ากันท่านก็ไปนั่งใต้โคนไม้กันนั่นเองแล้วก็สลับกันถ้านั่งนานแล้วเมื่อยทนไม่ไหวหนั่งท่ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อสลับกันไปแต่ก็ใช้กายยักตาสติเวลาที่มีการเคลื่อนไหวก็อนาปนสติ แต่ทางสายกูบาอาจารย์นก็สอนอีกอย่างคือพุทธทานวิสติแทนกายะคตาสติก็ได้ถ้าไม่อยากจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็พุโทโธไปก็ได้เอาพุโทโธไปของตัว<ม>เองรู้สึกว่าจะสลิดชอบกายะคตาสติค่ะท่านคือชอบดูการชอบดูอริยบทมากกว่า<ม>แล้วก็นั่งสมาธิก็ใช้อัใช้ลมใช้ได้แต่เวลานั่งก็จะลมหายใจเข<ม>้าเข้าไว้คืออย่าไปคิด ไ, <ม>ไปสังเกตว่ า, า<ม>เรายังคิดหรือปล่า คิดก็ดแสดงว่าใจเรายังลอยอยู่สติเรายังไม่กระชับก็ต้องดึงจิตให้มาจดจอ่อกับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มากขึ้นแล้วต่อไปคว<ม>ามคิดมันก็จะน้อยลงน้อยลงไปแในเวลานั่งมันก็จะสงบง่ายดูลมก็ดูที่ปลายจมูกเข้าก็รู้เข้าออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องไปบังคับหนุที่ท่านบอกให้รู้สั้นรู้ยาวก็รู้ตามความเป็นจรงิงถ้ามันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นถ้ามันยาวก็มันยาว เรไม่ต้องไปไปกำหนดไปบงังคับมาให้มันชั้นให้มันยาวอะไรแบบนั้นเองก พ, พอจิตไม่คิดอะไรจิตก็จะรู้สึกสงบมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับเองแล้วถ้าเกิดมีอาการอะไรก็อย่าไปสนใจเมืญญ่อมีอาการรู้สึกปิติเมื่อถอนลุกอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจแล้ว<อ>รู้สึกตัวเบาอะไรก็ไม่ต้องสนใจดูลมไปอย่างเดียว แล้วถ้าลมหายไปก็ดูตรงจุดที่มันหายไปนั่นแหละอยู่ตรงจุดนั้นอย่าไปไหนอย่าให้จิตไปที่อื่นอย่าให้มันไปคิดอะไรเด <Okay. S 1> ี๋ยวมันก็จะลว้ให้แเวลาลุ้นมันก็นตกวุก้บลงไปแล้วก็นิ่งสงบพอมันนิ่งสงบแล้วมันรูเ้เองอ๋เราได้สมาธิแล้วจิตเราปเป็นอเบกขาแล้วตอนนั้นถ้าได้ยินเสียงก็ไม่นําคาถ้าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่นําคา บางทีถ้ามานันลงเรื่อง ๆ, ๆงทีความรู้สึกของล่างก า, า, ายหายไปก็มีอย่าไปคาดมันจะลงแบบไหนก็เรื่องของมันมีหน้าที่ดูลงก็ดูลมไปเพียงอย่างเดีย ว, วมีอะไรไหมพอมีค่ะก็ อีกนหนึ่งครงท่านก็คือว่าอยากจะถามเพิ่มความมั่นใจในสัโยชนีข้อสามนะคะท่านที่เป็นศีลับพระตะกรามาเลยค่ะมันแปลว่าให้เรายึดมั่นในศินใช่ไหมคะแล้วก็อย่ากงมงายคือแบบให้ใช้กลรมสูตรอย่างนี้ป่าคะท่านคือไปถึงว่าให้ใ ห, ให้ให้ถือสินแปน่ะดีแล้วแต่ว่าก็อยากอย่ากงมงายอันนี้ใช่ไหมคะเข้าใจถูกต้องไหมไม่ทะข้อสามาะคียังงงงอยู่ความหมายก็คือให้เรารู้จุดประสงค์ของการรักษาสีน อรักษาศีลก็เพื่อป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปนี่เองเราปฏิบัติเพื่อเราดับความทุกข์เนี่ย<ม>เวลาเราทําบาปแล้วเราไม่สบายใจแล้วบางทีเราไปแก้ด้วยวิธีไปอไปบ่นบานสารกล่าวหรือไปทําอะไรทําพิธีกรรมต่าง ๆ, ๆเพื่อจะมาแก้ความไม่สบายใจของเราก็าอย่าไปทําบาปสัอย่างมันก็ไม่ต้องไปแก้ไปโกหกคนนั้นไปชอบโกงคนนี้อะไรทําเนางนี้ ให้เรารู้ว่าการทําบาปมันมีมันมีพิษมีภยัยต่อจิตใจของเรากานรักษาศีลเป็ น, นการต้องการภัยที่เกิดจากการกระทำบาปไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของเรามันจะเห็นมันจะเห็นุกคนเราทําบาปเพราะเราทําบาปเพราะมีความอยากอยา ก, อยากได้นู่นอยากได้นี่เมื่อทําดีๆไม่ได้ก็ต้องไปทําบาปอย่างนี้ได้ก็จะเห็นถ้อยว่าเนี่ย แต่เห็นอริยสัจว่าเนี่ยความทุกข์เกิดจากความอยากพออยากเข้าใจก็ทุกข์ก็ดด้งไปทําตามความอยากทําความอยากแบบดีๆไม่ได้ก็ไปทําความอยากแบบไม่ดีเสียมันก็ยิ่งไปเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นก็โสดาบันนี้มันจะมาแก้ด้วยที่การหยุดความอยากทั้งหมดเรื่องก็ อ, อยากไปอยากนั้นก็หมดเรื่งถ้าไม่สามารถได้มาอยากจะได้แฟน ไม่ได้แล้วก็ไปเอาเมียคนอื่นไปเอาสามีคนอื่นมาอย่างเงี้ยมันก็ไปสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้ใหญ่โตขึ้นมาแทนที่จะมีความสุขมันกับมีความทุกมากสูอหยุดความอยากเลยครับเพราะไม่มีความอยากก็อยู่คนเดียวสบายจะตายเลยพอะโสดาบันเห็นนารยสถานสี่นะท่นเห็นว่าปัญหาทรมนเกดเกิดขึ้น ท, ที่ความอยากของเราที่ไปทําให้ใจเราทุกข์ ใจเราทุกเรา่องไปแก้ความอยากด้วยการไปทําในสิ่งที่เราอยากถ้าทําโดยที่ไม่ถูกทำแบบถูกได้ไม่ได้ก็ทําแบบผิดไปทําบาปทำกรรมทําบาปทำกรรมก็มิ่งสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นอีกพระสดาวันของไม่ทําแบบนี้ถ้ายังอยากอ ย, กอยู่ก็ยังไปทําให้ไม่ให้ผิดไม่ให้บาปถ้าอยากได้เงินก็ไปหางานทานําเงินไม่ไปลกักไปขโมยอะไ แต่ถ้าทตามที่ดีถ้าหยุดความอยากได้ดีกว่าไม่ต้องไปทำอะไรพอหยุดความอยากได้ของนั้นพอไม่ท้องพอเปลี่ยนใจไม่อยากก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องมีเงินไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปขโมยมันก็จบพระโสดาันเวลาพิจารณาสักกยายทิฏฐิมันจะเห็นอริยสัจสี่พร้อมๆกันไปขับไต่แล้วมันก็จะรู้ว่า วีดวโอตายเห็นทำเห็นมทุกเนี้เกิดจากความอยากความไม่ทุกข์ก็คือการหยุดความอยากไม่ใช่ไปทําตามความอยากให้ใด้สิ่งที่เราอยากได้ซึ่งเรามากักจะทํากันแบบนี้เนาะพอเราเกิดความอยากขึ้นมาใจดิน้นไม่สบายใจก็ต้องไปทําตามสิ่งที่เราอยากให้มันหยุดดิน้นพอมันได้เรามันก็หยุดดิ้นชั่วคราวแต่มันไม่เดี๋ยวมันมันก็น เ, เกิดความอยากใหม่ขึ้นมา วิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาด้วยการหยุบความอยากนะขอจะเข้าใจนะอันนี้ต้องปอีบบหนึ่งจะจะเห็นชัดอาจจะบางคนอยู่ก็ตามไม่ทันพูดแล้วบางทีตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทันก็ไม่เข้าใจ พอจะเข้าใจค่ะท่านก็เดี๋ยวก็หน้าที่ตัวเองก็ไปฝึกสติแล้วก็จะเท่าเข้าทําทําอาปานาอาปานาสติให้ให้ได้อ่ะจะได้เป็นภาวนามายาปัญญาเหมือนที่ท่านบอกจะพยายามตั้งใจเดี๋ยวกับเดี๋ยวทิศหน้าก็จะมาบอกความคืบหน้าค่ะท่านเมีอภาวนาสมาธิแล้วที่นี้ก็สามารถไปทางปัญญาได้ในพิจารณาใจแล้วเพืหยุดความอยากต่างๆได้โอเคไคะค่ะหมดแล้วค่ะคุณวิชา ก่อนกระถมใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เดินจงกรมเยอะกว่านั่งนะครับช่วงกลางวันก็ทําอยู่เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยววันที่หนึ่งนี้ก็ไปปฏิบททัติอีกีครับแล้วก็ครั บ, รบ<ช>ก็วันนี้เข้ามาฟังครับว่า<ด>อาจารย์อิฐนะครับได้ถึงวันบวชหรือยนะังเอ่อบวชวี่แปดพฤษภาครับ อ๋อ ป, ปีน่าหลายเดือนเออแต่ว่าผมจะไปอยู่วัดครับแต่ผมจะไปอยู่ไหนครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้ก็คือไปไปปฏิบัติเป็นช่วงช่วงเพราะมันมีงานต้องเคลียร์ครับแล้วก็เหมือนครับ็ับที่เลือกที่แปดเพื่อพาเพราะว่าขึ้ น, นืงานครับรบใช่ก็ปฏิบัติไปตามที่เราทำํำได้ไปก่อน ก็จะได้เวลาบวชจะได้จะได้ไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้อ น, นอะไ ร, รไ ม, ไม่ไม่ได้บวชเพราะไปอยู่ที่นั่นจะได้ฝึกตอนที่เราเป็นผ้าขาวเราจะได้น่าจะน่าจะเข้มข้นกว่าตอนอย่างที่้มากนะครับแล้วก็ ค, ครับผมดีมีอะไรไหมันนี้มีอะไรจะถามไหมมีตอนนี้ ก็คือเหมือนโดนจมกมากขึ้นมันก็มีสติระหว่างวันมากขึ้นแล้วก็มันจะมีแบบเรื่องของเอ่อยังเรื่องของการเลีที่มันมันขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูมันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปปล่อยคือเอ่อไม่ได้ไปให้ความสําคัญกับมันแล้วก็อยู่ๆมันก็เฉยๆไ้แล้วก็ก็คือเหมือนดูมันนะครับแล้วก็รู้ตัวแล้วก็พูดโทแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ ภาวนาแล้วก็พิจารณาไปครับพยายามอย่าไปทำตามความอยากนะอยาทำตามกิเลสต้องฝืนมันสู้กับมันโอเคแทนไปท่านต่อไปนะขอบคุณจิ๊บแด่ดิแลนเป็นยังไงคุณจิ๊เราก็ทำไดมาสักการครัอาจารย์ดูไม่เซ่สบาย สบายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์สบายดีไหมเจ้าคะก็ยังหายใจได้อยู่นะอ๋อสาธุค่ะโยมก็ยังหายใจติดติดตัดขาดหายใจได้ก็แสดงว่าดีนะ<ใ>จะเป็นอะไรดีหายดีค่ะพอดีเมื่อวานโยมอุย้ยโยมกดอะไรค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อวานโยมได้คุยกับน้องอ้อมมาค่ะไม่ไม่แน่ใจพระอาจารย์จําน้องอ้อมได้ไหยเจ้าค่ะที<ด>่อยู่แมรี่แลนด์ อ้อมอ้อมที่เขาเคยมาบอกพระอาจารย์ว่าเขาปวดหัวปวดค่พะพอดีคุยกับ น, น้องน้องบอกว่าอาการแย่ลงมากเขาเลยต้องไปหาหมอเข้าห้องอะไรอย่างงี้ยมก็เลยแบบไม่รู้จะบอกน้องว่าให้แยกกายเออกายของเรามันไม่ใช่กายของเรากายมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ก็สงสาร น, น้องเหมือนกันน้องเมน้องรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเจ้าค่ะ ก็ให้เขาทำใจสงบบอกเขาบอกว่าพุทโธพุทโธไปอยากไปอยากให้มันหายเราพยายามพุทโธไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปถ้ารักษาไปรักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่กับมันค่ะเหมือนตอนนี้ยมก็เจ็บเขามันก็เป็นหลายเดือนยมก็เลยวันนั้นนั่งฟังอ่ำหลวงพ่อชาเหมือนกันค่ะหลวงปู่หลวงพ่อชาบอกว่า เหมือนที่พระอาจารย์บอกอะคะ่ะแบบเดียวกันเลยคือกายก็กายเจ็บก็เจ็บช่างมันอย่าไปเอามันเป็นจะกายเราเจ็บแต่เราไม่ได้เจ็บก็เลยอันนี้โยมคิดถูกไหมคะที่ที่คิดแล้วเราสบายใจขึ้นพอเราปล่อยมันได้เราก็สบายใจค่ะแต่มันคือแล้วที่พระอาจารย์พูดเรื่องความอยากวันนี้ทุกคนก็ยังมีความอยากอยู่แม้แต่พระรหันจะมีความอยากด้วยไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่มีหรอกพ่อฮะท่านตัดความอยากไปหมดนะท่านตัดความอยากแล้วแต่โซดาบันหรือคนธรรมดาก็ยังมีความอยากอ ย, กอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเราอยากแล้วเราควรจะทําหรือเราควรจะปล่อยหรือเราจะอถ้าเราอยากจะบรรลุเป็นพระอริยะเราก็ต้องตัดความอยากไม่ไปทําตามความอยากค่ะ<า>เราอยากทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทําไม่ถือว่าเป็นความอยากถ้าโยมอยากเป็น สมมตินะคาโยมอยากเป็นโสดาบานันแต่โยมยังมีลูกๆต้องดูแลอยากให้เขาแบบรอให้เขาเหมือนกับจนแม่ใจว่าเออโยมคิดว่าถ้าเขาจบมปลายมหัธยมปลายมันก็คงโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะได้ปฏิบัติหรื อ, อว่าทาบุญนะคืออันนี้คือความมันปฏิบัติได้เขาเขาก็บเขากับไปโรงเรียนเวลาเขาไปโรงเรียนเราก็ปฏิบัติได้ได อ, ยอยู่บ้าน วเวลาราจะต้องไปอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงที่ไหนนี่ยใช่สิค่ะแต่ถ้ารเราอยากให้เรามีความสุขอยากให้ลูกเราได้ดีอันนี้ก็คือ<ม>อยากแบบอันนี้ก็คือเขาเรียกแม่เขาแม่เรียกว่าอยากเขาเรียกว่าปรารถนาดีได้อยู่เมตตาเมตตาได้อยูค่ะไปอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นนี้โดยที่เขาไม่เป็นเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์ อ่อย่าอย่าให้มันนำเราไปสู่ความทุกข์ใจค่ะคืามกใ จ, จแสดงว่าเราอยากถือถ้าถ้าอย่างนี้โยมจะพิจารณาว่าอะไรก็ตามที่เป็นความอยากถ้าทำให้เกิดกิเลสเกิดทุกข์เกิดการปรุงแต่งหรือว่าเวทนาเข้าพวกนี้คือถือว่าเป็นความอยากที่เราควรจะตัดออกไปใช่ไหมคะอยากว่าวมันทำให้เราทุกข์กงวลก็วายก็สั์ก็ใส อยากให้ลูกเข้าโรงเรียน น, นี้ก็เกิดความกังวลกังวาขึ้นค่ะอ ย, อยากประหยัดแต่ทำทำหน้าที่ได้ครับอยากให้ให้ก็ไปโรงเรียนนี้ก็ให้เขาไปสมัครอะไรของเขาไปส่วนเราจะได้ไม่ได้กับเรื่องของเขาไป่ถ้าโยมอยากมีสติมากขึ้นแล้วโยมก็ปฏิบัติอันนี้คืออยากที่ดีในสิ่งที่ดีใช่ไหมได้เป็นฉันทะที่นําไปสู่วิริยะอจะได้ เราจะได้ไปปฏิบัติเนะี่ยวิริยะคือความค<ข>ิดค่ะค่ะวันนี้โยมก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์แค่จะถามคืออยากให้เป็นห่วงน้องก็เลยเนี่ยมันคือความห่วงอย่างหนึ่งแม้แต่เป็นน้องเป็นน้องที่รู้จักกันที่นี่เราก็ห่วงเขาเหมือนน้องคนนึงอะคะ่ะน้องเขอยู่ที่อหนคุณสิรินธรใช่ไหมที่พูดถึงนี่ ใช่ค่ะชินทอนนี่ก็เป็นเพื่อนกันแต่น้องอ้อมที่ที่ตันเคยคุยกับพระจ้า น, น้องอยู่แมรี่แลนด์เหมือนกันอยู่เกตร์เพิร์นก็บอกเขาว่าพยายามทําใจให้สงบแล้วจะบรรทาได้นะพูดโทพูดโธไปค่ะเขาก็เลยไม่กล้านั่งสมาธิเลยเพราะเขาอาการปวดหัวของเขามันเริ่มมาตั้งแต่เขาเริ่มนั่งสมาธิถึงจุดนนนงเเกกีี่่่ยวััวสมมาธิือ ถ้ามันถ้ามันเป็นเกิดจากการนั่งสมาธิเวลาหยุดนั่งมันก็ต้องหายสิอ๋ออันนี้เขาเรียก เ, เวทนาใช่ไหมคะถ้าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันเกิด<น>พวกนี้เวลาหยุดเราหายแปลว่ามันเกิดในเวลาสมาธิเท่านั้ น, นมันมาทดสอบจิตใจเราเท่านั้นใช่ไหมคะเออมันเป็นกิเลสของเราเนะกิเลสเร า, เาไม่มชอบนั่งเฉยๆขอให้นั่งเฉยๆว่ามันเกิดอาการขึ้นมาแต่ให้นั่งดูหันี้ไม่มีอาการ มานั่งดูลงนี้ยรู้สึกเปนหนักขึ้นมานั่งไปหลับไปนี่ก็คือกิเลสใช่ไหมคะ น, น, นั่งหลับก็เป็นกิเลสแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวโยมจะพยายามปฏิบัติเมื่อคืนลองนั่งนั่งแล้วแต่ปรากฏสงสัยเลือกเวลาผิดอีกแล้วค่ะนั่งไปก็เออหลับไปด้วยตืย่นมารู้สึกตัวก็อา้างพุโทโธใหม่ลุกขึ้นมาเดินถ้ามีที่เดินก็ลุกขึ้นมาเดินค่ะ แต่ถ้าเดินเดินแบบเป็นเส้นตรงไปกลับอยู่ในห้องโถงในบ้านนี่ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องออกไปเดินข้างนอกเดินในห้องก็ได้ไม่ต้องกไ ป, ไปไข้างนอกไมได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค้าโยมมีแค่ป่าป่าทุกป่าคุณนอร์ดีมีอะไรมคุณนอร์ดีท่านตอไปกล่าวธมาสักการค่ะพระอาจารย์ วันนี้เข้ามาฟังแล้วกันค่ะแต่ว่าอยากให้พระอาจารย์รักษาสุขภาพานะคะช่วงนี้ฝุ่น pm สองจุดห้าเริ่มกลับมาอีกแล้วะค่ะยังไงรักษาสุขภาพาด้วยะะได้ทุกท่านเดี๋ยว<อ>พระ<อ>มันพระที่จะถึงนี่ไม่ได้ไปนะคะมีติดธุระจะเป็นพระแรกที่ขาดการไปวัดเอเค้าได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่ต้องมา อยากไปอ่ะแต่ว่าติดธุระจริงๆไม่เป็นไรค่ะสาธุสาธุคุณเอกจากเชียงรายคุณเอกเิอกลับมสักการพระจันทร์ครับผมอะมไรมีรอะไรวันนี้ก็วันนี้ก็ออไม่มีอะไรครับก็มากลับรายงานพระจันทร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินคนได้แทนที่เลยโอเคครับเอ่อก็จะมีเอ่อมันมันจะปโปร่งรงเบานะครับพระอาจารย์ในวันเอ่อวันอาทิตย์กับวันจันทร์ช่วงเช้าพระอาจารย์มันเหมือนกับเอ่อที่ผมได้เรียนนะครับอาจารย์ไว้ที่แบบว่าจิตมันอยู่ตรงที่ว่า มันเป็นที่โล่งโล่เหมือนผิวโลกเนี้ยไม่มีขอบไม่มีเขตอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์มันเป็นที่ว่างใช่ไหมครับอาจารย์ถใช่เวลาจิตมันสงบมันก็จะว่างครับโอ้ครับผมดีกดีครับความสงบนะยี่มันก็มีว่างว่างมาก ว, ว่างน้อยแนละ้วแต่สงบมากสงบน้อยอ๋อครับผมใจแล้วก็ทุผมลงไปพุทโธไป ครับทำสติให้มันว่างอย่าให้ไปคิดตุงแตกครับผมอืมครับผมก็พอดีมีข้อสงสัยอีกนิดหนึ่งก็ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับที่บอกว่าอาลมคือกายอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์มีความหมายยังไงอะครับเราก็ไม่รู้นะครับไม่ต้องจำไม่ต้องรู้หรอกลมก็มาจากอลมก็มาจากกาย คนตปลนุ่จะแปลแปลแบบตรงไปตรงมามันก็ลมก็คือกายไอ้ลมแปลลมมันก็มาจากกายเลยมันก็อยู่ที่กายเนี่ยเห็นจะว่าลมคือลมกับกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้ใช่ไมไม่สำคัญมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่จะต้องรู้โอเคครับผมครับผมใช่ประเด็นสำคัญคือให้รู้ว่ามันเข้ามันออกมันสั้นมันยาวครับผม แล้มาให้ไปคิดเรื่ันเรื่องนี้ น, นครับผมอืมครับผมนะครับครับพอาจารย์พอมีอะไรสั่งสอนเพิ่มเติมอีก่ไหมครับพระอาจาจรย์เพก็พยายามทําไปเรื่อยๆทําให้มากขึ้นมากขึ้นครัพยายผมปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะมันที่เราทำทำมากมันก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยแต่ถ้ามันขัใส่ตัวมันก็ได้แค่วันละขันถ้าถ้าตักสามขันมันก็ได้สามขัน ครับผมแล้วก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติมากขึ้นก็จะสงบมากโอครับผมสาธุครับน้ปฏิบติถ้สงบน้อยครับผมครับผมสาธุครับหมดคาถามกับพระอาจารย์กลับขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับสาธุครับครับผมขอพระอาจารย์รักษาภาพขันให้แข็งแรงด้วยนะครับสาธุครับบาลิตนะบาลิตบาลิตนะบาลิตครับวาิตบาลิตนะยังไง อ็เสร็จวันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตั้งใจว่าตั้งใจฟังพระอาจารยทุกวันว่าอยากมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายครับแต่จะไม่กดดันตัวเองว่าจะต้องได้ครับเพราะไม่งั้นจะเครียดทริงครับอทําให้เต็มที่แล้วกันทําแต็มกำลังครับพระอาจารย์ครับพระสวดาบันยังมีอารมณ์แบบอยากตบคนไหมครับยังมีอารมณ์อะไรนะ อยากตบคนเห็นอยากต บ, กตบคนบครับก็รู้ว่า <c oughs> มีอลงมณโกรธแล้วอยากตบคนว่าคนนี้มันงี่เง่าอย่างนี้อะไรยังมียังมีไหครับหรือมันไม่มีอย่างนยังมีรักมีชังอยูพอพอ่เพราะเพราะสดาบันยังรักยังอยากมีแฟนยังอยากจะอ่ทําร้ายคนอื่นอยู่เพียงแต่ว่าะจะไม่ทำนั่นความอยากยังมีอยู่แต่จะไม่ไปเหยียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทําผิดสี่งอ๋อคือแบบยังมันยังมีอยู่ในใจแต่ไม่มือไม่ไปใช่ไหมครับ ยังยังมีความชังอยู่มีความรักความชังอยู่ครับแล้วจิตจิตสงบ ก, กับจิตสงบมันจำเป็นต้องสดชื่นด้วยไหมครับหรือไม่จำเป็นครับก็แล้วแต่มันสดชื่นนี่มันเป็นคำที่ความรู้สึกของแต่ละคนบางคนก็รู้สึกสดชื่นบางคนก็เฉยๆฉ้ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญผมมีปัญหาอย่างหนึง่งคือขาดความเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าเราปฏิบัติแบบพุทโธแล้วมันนี่มันจะเกิดแบบไม่ เกิดไม่มัน่นใจในตัวเองอะครับพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องอย่าไปสนใจมันเลาก็ทิ้องพิสูจไปว่าเราทําแล้วมันจะได้หรือไม่ได้เขาก็ถอยไปพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปอย่าไปสงสัยลังเลทำลังเลสงสัยมันจะทําให้เราไม่ให้เห็นผลที่เกิดขึ้น เห็นเราก็เลาบกเลยที่ว่ากรูบาจารย์ท่านสอนพุทโธเห็นถ้าเราทําตามท่า น, านเดี๋ยวเราก็ต้องได้ผลครับ <Huh. S 1> ยังไม่ได้ผลเพราะเรายังทําไม่เต็มที่แล้วทําไม่ไม่ต่อเนื่องพุทโธได้สองคำก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. มันก็เลยทําให้ให้เกิดผลมันก็เลยเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเห็น <Huh. S 1> มันเน้นที่การมีสติอยู่กับพุทโธให้มันต่อเนื่อง mm hmm. อย่าให้มันขาดตอน จะให้มันหายอ เ, เขาเขาสงสัยว่าเห็นคนบางคนเขาบอกว่าสงบแล้วจะสดชื่นพอผมไม่ส ด, สดชื่นผมเลยเอ๊ตัวเองนั่งผิดหรือเปล่าพอเห็นเขาบอกนั่งสมาธิแล้วสดชื่นสบายแลมัน ค, คือความสงบที่ผลอย่างไรจจะเกิดขึ้นสดชื่นปิติขน ล, ลุกซ่าน้ําตาไหลอะไรนี้อาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีก็ได้ไ ม, ไม่ไม่มีคือไม่ผิดใช่ไหมครับโอเคไม่ผิดหรอกหาใจมันว่างแล้วมันเย็นมันสบาย ไม่คิดตูมแต่อาจารย์พระอาจารย์ครับแล้วที่บอกพิจารณาธาตขันแล้วมันรู้สึกเกลียร่รางกายตัวเองขึ้นมามันทําให้เราหดหู่กับร่างกายตัวเองแบบนี้มันก็ยังม ไ, ไม่ถึงเวลายังไม่มีสมาธิพอที่จะไปพิจารณาอย่าเพิ่งไปพิจารณาอ๋อครับถ้ามันหดหูก็หยุดพิจารณาก่อนออใจไม่เป็นอุเบกขาใจไม่เป็นกลางใจยังรับยังชัำอยู่โไปพิจารณาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความชังขึ้นมาได้ หดหูได้มันต้องทําใจให้มีหัเบื่อขาไปแล้วต่อไปมันก็จะเฉยๆเวลาพิจารณาร่างกายรู้ตามความเป็นจริงหรือว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะไม่หดหูโอเคครับโอเแค่แค่นี้แหละครับโอเคสาธุข อ, ขอเอสุขสมัยเกิดพระอาจารย์อาทิตย์หน้าด้วยครับแล้วก็ตัดให้พระอาจารย์อยู่กับลูกหลานนานๆนะครับพระอาจารย์สาธุ อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปคุณสุพัฒนาจากบอวินอัดีกล่าวนามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างา ก, กา็ตอนนี้งานเยอะนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจายไปไหนแล้วได้ได้เออเหมือนกับน้องคุณจิ๊บ ท, ที่ที่พูดว่านั่งสมาธิแล้วหลับอันนี้คือบางทีเราไม่ได้ เราเราไม่ได้หลับแต่เรารู้สึกตัวค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าพอนั่งไปสักพักหนึ่งเหมือนคนมาผักหัวเราแล้วมันก็จะสว่างขึ้นมาอันนี้มันเป็นเอ่อโยมว่ไม่ได้ไม่ได้หลับนะคะก็ท้ารู้สึกตัวมันก็ไม่หลับไม่ได้หลับเนาะแต่มันมีความสุขเหมือนกับมันเงียบไปสักพักหนึงอะค่ะแล้วมันก็ช่วงเงียบขึ้นมาช่วงเงียบไปอาจจะหลับได้อ๋อ แต่ yup. แต่ว่าเรามีความสุขที่นั่งนั่งแล้วมันไม่ได้สับสนงบแต่เพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนกับเราไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือหลับไปต้องรู้ตัวตลอดเวลาเหมือนตานนี้เราคุยกันเงนี้รู้ตัวไหมรู้ใช่ไหมค่ะก็ต้องรู้อย่างนี้ไปตลอดเวลาถ้าไม่รู้ตัวแสดงมันเลค่ะค่ะไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินถ้ามันนั่งแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็ลุกขึ้นมาเดิน เดินพุทโธวุทโธไปก่อนพุทโธ ค, ค่ะก็คือพยายามให้ให้รู้ตั ว, ตวนนะซ้ายขวาซ้ายขวาไปดึงสติให้มากลับมาก่อนแล้วค่อกลับไปนั่งใหม่ค่ะตอนนี้ก็พยายามทําตัวหนึ่งที่พยายามมากๆก็คือที่พระอาจารอนว่าให้หยุดอยากตรงนี้พยายามมองทุกอย่างเหมือนกันใช่ไหะถ้าอันไหนที่มันไม่จําเป็นเราก็ไม่ทํา ทำเฉพาะที่จําเป็นเองค่ะถามไปว่าถ้าไม่ได้ชาวนาตายไหมถ้าตายใต้องท่ะถ้าตายก็จําเป็นถ้าไม่จําเป็นยังไม่ถ้าไม่ตายก็ไม่จําเป็นก็อยา่าไปทํำเช่นดูทีวีตายไม่ได้ดูทีวีตายไหมค่ะก็ไ ม, ไม่ต้องไปดูค่ะกินขนมไม่ได้กินขนมแล้วจะตายไหมไม่ตายก็ยังไปกินอันนี้เป็นความอยากน้อยๆเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นความอยากเบื้องต้นนะคะอาจารย์ แต่จะกินนะมันกินเป็นมือม้อๆไปดีกว่ามันจะได้อยังง่ายคุมความอยากได้ถ้า<ะ>มันกิ น, ก, นกินกับเป็นมือไประหว่างมื้อไม่ให้กินอะไรนอกจากดื่ม น, น้ําปล่าอนี้จะพิชเชตความอยากได้เยอะงั้นเดี๋ยวเม่อกลาหิวเนะ่ะอบแฟเดี๋ยวก็หิวขนมกินอยู่นะค้ใ<ะ>นีอาการมั่นฉันทะอันแล้วมันทำให้เราฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นลดนิวร์ต<ะ>ลดกิเลสได้เลย เจ้าค่ะก็ว wow okay, ah, ัน yep. นี้ไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะขอพระคุณแม่เจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคคณร่วมพรไอแพดกรุงเทพใช่ไหมคุณร่วมพรอยู่กรุงเทพใช่ไหมอ่าต้องเปิดไมค์ก่อนยังไม่ได้เปิดอยู่กรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพค่ะอ่าอันนี้มีอะไรไหม ก็เอาทำที่ท่านแนะนำไปปฏิบัตินะฮะคือให้ใจเนี่ยให้อยู่ในที่ว่างๆแล้วก็นิ่งๆปรากฏว่าดีความรู้สึกดีมากเลยค่ะมันไม่คิดน ะ, ะหรือคิดก็คิดน้อยลงค่าวนี้ค่าวนี้นะคะก็ อยากจะเล่าให้ฟังว่าเท่าที่การปฏิบัติมาอย่างเนี้ยค่ะจะไปในแนวทางที่ถูกไหมคนะพอหลังจากปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็ได้เริ่มอสุภาษมานานเหมือนกันจนปัจจุบันเนี้ยค่ะรู้สึกว่าเห็นตัวเองเป็นอสุภาษโดยที่ก็ไม่ได้กลัวอะไรน ะ, ะเห็นตั้งแต่อาเริ่มแก่เจ็บเน่ก็ไม่รู้จะนึกยังไงนะะเพราะมัน มันดูคนอื่นด้วยดูคนอื่นต่อคนอื่นก็มันค่ะก็เพเอิญมีญาติเขาไม่สบายก็ดูอยู่เลยค่ะเราเป็นรักไปชอบคนคนไหนก็ต้องมองเขาว่าเป็นสุภาพไปจะได้ตัดความนี้ความชอบออกไปค่ะทางนี้ก็ดูตัวเราแล้วก็ดูคนข้างนอกดูใคใช่ไหมฮะคือคนอื่นไม่หมดเพราะทั้นี้เหมือนกันหมดทุกคนไม่มีใครสวยไม่มีใครงาม เราไปปรุงแต่งมันขึ้นมาเองแล้วก็อย่างเวลาเดินหรือเวลานั่งต่อนะฮะดูแก่เจ็บตายแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าอร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นดินร่วงๆ่วงล่วง่วงล ง, ง, งไปได้จนไม่มีอะไรถูกต้องให้รู้ว่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีตัวตนค่ะแล้วก็พยายามฝึกทุก เชา้าพอเดินจงกรมทุกเช้านะฮะแต่ว่าก่อนไปเดินนี่ก็ได้นั่งสมาธิแล้วพอรู้สึกร่วงๆก็ทํานี้ก็หันมองดูกันอื่นก็เห็นมันร่วงๆร่วงๆมาเหมือนกันอย่างมองปั๊บนึ่งเงี้ยคือเวลามองดูเนี่ยนะฮะอย่างเรามองเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าอลภาพจริงก็คือที่บ้านมีสนามมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีอย่างที่ ขึ้นในใจคือแบบไม่ว่าเราจะดูให้มันเป็นร่วงร่วงร่วงร่ ว, รวเลยทั้งที่ภาพจริงเขาจะไม่ร่วงอย่างเช่นคนเดินมาอย่างนี้นะะแต่มันจะมีภาพในใจแบบขึ้นมาอีกอย่างเคยเคยปฏิบัติเหมือนกับว่าของสมเด็จพระยานะฮะให้ดูเป็นป่าไม้ไปหรือดูเป็นปตปีไปเนี่ยมันเหมือนกับมีภาพหนึ่งขึ้นมาเลยนะ ทั้งที่บ้านเรามันก็ต้องมีเสามีอะไรแต่ว่านี่มันจะขึ้นครึบไปเลยแต่ก็เรารู้หาะว่ามันมาละแล้วก็ดูปตัตตีก็เป็นแผ่นเรียบไปเลยอยู่หน้าเราทั้งที่จริงๆเราก็เห็นแต่ว่าความสนใจเราไปอยู่กับตรงนั้นแทนอันนี้ก็เข้าใจเองนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้ว คือร่างกายเราก็เป็นปฏิปปฏตภีด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่เราเห็น uh huh. นะร่างกายเราก็เป็นปฏตภีด้วยเป็นควรจะเป็นเนื้อเนื้อหนึ่งกันเดียวกันเลยอืม uh huh. คือยังไม่เข้าใจมากปฏตภีที่ที่ฉันดูนี่มันเหมือนกับแผ่นดินหนังกรองอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะอืาได้แล้วร่างกายเราก็มาส่วนหนึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่งของปฏตภีอ๋อหมายความว่า oh ร่วงร่วงรวงไปแล้วเป็นส่วนประกอบของปฏิีไปเลยใช่ไหมคะนึกออกมะค่ะเป็นปแบบร่างกายเรามันยื่นออกยื่นขึ้นมาออกจากขึ้นเหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นมาจากจากดิ น, นะ น, นร่างกายเราก็เป็นเหมือนอันะเหมือนป่าไม้ที่งอกขึ้นมาเหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นมาจากดิ น, น, นร่างกายเรานีก็มาจากดินค่ะเดี๋ยวมันก็กลับไปดินเนะวลา ใชาเลยเอาไปฟังเขาตับลงเด่นมันค่ะแต่ว่าเวลาร่างกายเรานึกถึงอสุรคาอะไรนี้ไม่ไม่มีกลัวเลยนะคะรู้สึกเหมือนกับอืันนั้นไม่ได้ทำให้กลัวอันนั้นต้องการให้ตัดความความอยาก<ะ>ในในกามาลงค่ ะ, <ม>ะแต่จริงนะคะ<ม>อย่างถ้าสมมุติว่ากลับไปเป็นสาวๆนี่เห็นแฟนอย่างนี้คงไม่เอาแล้วแฟนทั้งหมดเท่านี้ขออนุ ญ, ญาต อธิบายต่อนะคะคราวนี้ถ้ามาดูทางด้านใจิตใจเนี่ยมันจะมีแต่ไอ้เรื่องสัญญาหรือเรื่องความนึกคิดของเราโผล่ขึ้นมานะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราก็มองดูมันก็เป็นสภาวะธรรมมนหนึ่งนะไม่ว่ามันจะเป็นสัญญาโผล่หรือจะเป็นความนึกคิดโผล่ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะเกิดแล้วก็หายไปอันนั้นเป็นสักมาระยะหนึ่งนะะ เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันจะมีเพิ่มมาอีกว่าเออมันก็สักแต่ว่าความคิดนั่นเนี่ยแต่มันโผล่ขึ้นเองนะสักแต่ว่ามันนึกอะไรออกหรือไม่สักแต่ว่าความคิดอะไรดิฉันว่าอันนี้มันโผล่มาสักประมาณได้อาทิตย์หนึ่งมองดูเหมือนกับเอ๊ะรู้สึกเราก้าวหน้าขึ้นนะอยู่ๆมันก็โผล่ว่าไอ้ที่คิดเองก็แค่สักแต่ว่าคิดเท่านั้นนะ อ, อะไรอย่างนี้ ถูกต้องไหมคะท่านไม่ถื อ, อต้องอย่าให้มันคิดนี่ยให้มันว่างเมื่อมันคิดปุ๊บก็ต้องหยุดมันฮะอย่าไปอย่าปล่อยให้มันคิดอะอรจะติดอยู่ในมันไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยนะเพราะมันคิดปุ๊บก็อ่ะนีะ่สักติคิดนะเดี๋ยวก็สลายไปอย่าไปตามมันอย่าไปเชื<ะ>มันหลอกเราจมความคิดหลอกให้ไปทํำนู่นทํานี่อ มันไม่ค่ะพอปุ๊บเดียวเนี่ยพอมันคิดปุ๊บเรารู้แล้วแล้วมันก็มันจะมีอันนึงไว่หยุดมันได้ใป้ันหายไปใ้มันหายไปค่ะแล้วมันก็มาเหมือนกับมาอยู่ว่างๆแล้วก็สบายแล้วก็นิ่งๆอ่านั่นแหละถูกต้องต้องมีนิ่งค่ะรู้สึกสองคำนี้เป็นเมจิกเลยพอว่างปั๊บเดี๋ยว อยู่นิ่งๆมันก็เฉยนิ่งสบายใครจะอะไรก็แต่มันอเบขาไอาเบ็ขาบางเฉยค่ะแต่ไม่มีกลัวนะฮะอสุพะไม่กลัวไม่ไม่ไม่รักไม่กลัวมันไม่อะไรไม่รักไม่ชองเฉยๆค่ะค่ะเลถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ ยิ่งเข้าไปเจอของจริงเวลาไปเจอของจริงมันยังเฉยได้มันเป็นแต่ความคิดของเราแล้วเขไปดูร่างกายที่มันตายหรือล่างกายเราจะตายนี่เราเรายังเฉยได้ปะก็ก็ไม่ถึงกับว่าคงจะต้องไปป่าช้ามั้งคะดูไปงานศพเนี่ยที่เคยกราบเรียงท่านน่ะ ก็ดูเหมือนที่ทา่านสอนวะ่าเป็นเห็นศพในสมัยนี้งานมพเ้นเห็นแต่โลงมันไม่เห็นตัวศพเห็นหน้าอนเป็นรถน้ำศพรถน้ำศพก็แต่หน้าก็ก่อนก็ไปดูแบบอุบัติเหตุพอได้เป็นไปเก็บศพอะไรอย่างนี้อ่นนะคะอย่างอันนั้นก็ยังนึกไม่ถึงเพราะว่ายัางไม่เคยไป แต่ก็เดี๋ยวนี้เขาก็แต่งแต่ ง, แ ต, งแต่งหน้าได้เหมือนคนธรรมดาจรนะิงๆ่ะก็ไปดูศพเนื่อไปดูที่โรงพยาบาลก็ผ่าศพให้นักศึกษาแพทย์ดูก็ได้ก็ ไ, ได้ผ่าท้องออกมาลํำไส้ออกมาผ่าตับตายสร้างคงหูมาแล้วดูว่าดู ว, าดว่าเราเฉยหอบางคนไปดูนี่จะอาเจนนะไมคือคือ ตัวเองคิดนะฮะว่าอย่างนี้ต้องทําสติให้มันขึ้นกัยสติถ้าสติเราแข็งคงได้ใช่ใช้องมีสติท่านสติห่ อ, อ, อนน<ม>ี้พีค ง, <ม>คงจิตต้องนิ่งมากนิ่งแล<ะ>้มไม่มีปัญหาเลยวันนี้ได้อ่านของท่านนะฮะที่มีคนถามมั้งะว่ า, วาเออเวลาตายนี่รู้ตัวว่าว่าตายครานี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะว่าท่านบอกว่า ไม่รู้อะว่าตายโดยมากนึกว่าตัวเองยังเป็นอยู่แต่ว่าตัวเองกําลังฝันใช่เวลาตายเวลาเรานอนหลับเราไม่รู้ว่เรานอนหลับใช่ไหมแต่เราไม่รู้เรากําลังฝันเรื่องนี้ฮะตอนตอนฝันเราก็ไม่รู้รู้แต่ตอนตื่นว่าเราฝันเรื่องนี้อ่านั่นแหละก็เหมือนกันเวลาเราตายเราก็ไม่รู้แต่เราเราไปอยู่ในในความฝันในคัะนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราฝันอยู่ล่ะ จะไมารู้ก็ตอนที่เรามาเกิดแล้วก็ลืมนะพอเราตื่นขึ้นมาเรามาเกิดใหม่แล้วก็ลืมว่าเราฝันไปอย่าเปรียบเทียบไม่ฟังว่าเวลาคนตายเนี่ยก็เหมือนไปอยู่ในโลกของความฝันคือถ้าสมมุติว่าอย่างนี้เขาไปสู่สุขตินี่เขาจันดีต่างรู้เลยฝันดีเขาก็ไปฝันดีสุขติก็คือฝันดีอ๋อ ฝันลายก็ทุกขติมันไม่มีสถานที่สุกติทุกขติคือใจเราเนี่ยใจเราเป็นฝันเรื่องดีๆก็เป็นสุขติฝันเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกขติอย่างนี้จะเป็นทุกคนไหมคะยกเว้นพระอรหันทุกคนน่ะถ้ายั ง, ย, งยังต้องกลับมาเกิดมีลายตายเกิดอยู่ก็ยังเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพระอริยะจะไม่ฝันลายแล้วรจะมีแต่ฝันดีแต่กจาโซดาขึ้นบานขึ้นบานในจิตท่านจะไม่ฝันลาย จะไม่อยู่ในทุกขติจะอยู่ในสุขกกติแต่ยังไงก็ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมคะถ้ายัางไม่ได้เป็นพระละคะ ก, ก็ยังนึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะฝันไปเรื่อยๆขณะที่ฝักนก็เหมือนก็เหมือนก็รู้ตัวนะเพราะเวลาฝันเราจะรู้ใช่ไหมว่าโอ้เราไปเจอคน น, อ น, อ น, อ น, นั้นเจอันนี้เจอสิ่งนั้นเจอสิ่นี้มันก็รู้แบบรู้ในฝันโอคือถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะรู้ตัวเมื่อตอนตื่นเพราะฉะนั้น รู้ตัวว่าฝันแต่ขในขณะที่ฝันก็รู้ตัวว่ากําลังกําลังทํานู่นทํานีนนนน่อยู่แต่ไม่รู้เป็นความคิดว่าเป็นความจริงอ๋อถ้าค่ะใช่เพราะฉะนั้นท่านนับตั้งแต่ท่านพระโสดาบันพระสกิทาคามีแล้วก็ท่านพระอนาคามีนี้ก็จะนึกอย่างนี้หมดอ่าท่านจะท่นฝันดีท่านจะมีแต่ความฝันดีท่านจะไม่มีฝันลายยกเว้นพระอรหันต์นี่จะรู้แล้วไม่ใช่ฝันแล้วแต่ละ รัรากการ ร, ากการ้รานนี่ท่านท่านตืนนตนต่นเนี่ยมตื่นลอดเลยเหได้มีสติอ๋อ่ะอนนี้สงสยัยเลยปฏิบัติไปดีบิบว่าคิดไปเองช่เป<ห>็นให้เป็เจของจริงดีกว่า <seja> แต่รู้ก่อนก็ดีค่ะแต่รู้ไว้ก่อนก็ดีค่ะท่านจะได้ขยันขันแข็งเวลาปฏิบัติ ก็ดีพยายามปฏิบัติไปทีเดียวมันยุ่ยงยากก็ไม่มันก็ไม่เหมือนของจริงอะเพราะมันสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตายเห็นอยู่ดีใช่ใช่เหมือนเหมือนอย่างที่ยังไงก็ไม่รู้ว่าถ้าอยู่ว่างๆแล้วก็อยู่นิ่งๆคำหนึงเนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไม่มีภาระทางใจที่จะต้องไมุนหรือ<ต>ว่ า, า, าถ้าเราไปคิดแบบนีนเราไปแบกของหนักทําให้หนักอกหนั ก, น ก, นกใจขึ้นมา ฮะแต่อย่างนี้มันจะเบาสบายอพอเราปล่อยวางเนี่ยดีแล้วล่ะทำนี้ไปช่วยๆอจจจานะความตายเวลาไม่ได้นั่งสบายด้วยก็เป็นทาความแก่ความเจ็บความตายทั้งเราและทั้งคนอื่นด้วยะอัอานนี้ก่อนนะคุณร่วมพรขอบคุณมากค่ะขอบเชยไปท่านต่อไปก่นะเ้า คุณสุภาพอ่สุภาพอ่าูดได้เลยค่ะอ่าวัดก่อน อ, อ่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติที่บนเขานะคะแล้วก็อ่าบางจังหวะก็จะเห็นว่ามันจะมีความว่างเป็นหลังเป็นเป็นแบกเกลีวค่ะแล้วก็มีตัวร่างกายเป็นรองลงมา แล้วก็เห็นเวทนาเป็นพักๆอะค่ะพอเราเรารู้สึกว่าร่างกายมีการผัสสะหรือว่าเราคิดไปบางเรื่องแล้วไม่มีการผัสสะเราก็รู้ว่าเราก็บอกกับตัวเองว่าผัดสะแล้วนะแล้วก็เวทนาแล้วนะแล้วก็สังเกตเห็นว่าพอเรารู้แค่จังหวะนี้เนี่ยเราก็ไม่มีการปรุงแต่งใดๆอีกเลยพอผัสสะปุ๊บก็ก็หยุดคิดพอผัสสะปุ๊บก็หยุดคิดได้ ให้รู้เฉยๆให้รู้เอยๆเอ่ อ, อ, อตัวสังขารเนี่ยมันจะไม่ทํางานไปอัตโนมัติทันทีที่เรารู้ว่าเราผัสสะแล้วบางครั้งก็ยุเอหน า, าบางครั้งก็ไม่ยุเอหน า, าแต่มันจะไม่มีการคิดไปเลยใช่ถ้าเรามีสติมันก็จะหยุดคิดได้ค่ะเอ่อทีนี้เอายุออกไปก่อนและทีนี้เนี่ยไอตัวความว่างที่เป็นแบ็กกราวอะค่ะหรือที่มันเป็นภาพที่มันอยู่ อยู่ด้านหลังเราที่เป็นภาพใหญ่ๆเนี่ยค่ะไอตัวนี้คือจิตใช่ไหมคะความว่างไม่หล่กเปนเป็ น, เ ป, นเป็นภาพจิตปรุงขึ้นมาจิตเป็นตัวรู้ตัวรูปภาพแต่ภาพนั้นเป็นตัวที่จิตปรุงขึ้นมาอีกทีนึงอ๋อค่ะไม่ต้อไปสนใจให้ก็รูลุ้ยเฉยๆไปมันจะมีภาพไม่มีภาพก็ไม่ต้งสนใจอพอดีว่าใครอ่านหนังสือแล้วเขาเขาเคยบอกว่าเอบางจังหวะเราจะเห็นเลยว่าเอจิต กายแล้วก็เวทนาต่างคนต่างอีูมันเป็นภาพที่หนูอธิบายใช่ไหมคะไหนพหน่อด้ห ม, ามชาิยิ่งยิ่งอ๋อคือว่าเ อ, อเคยอ่านหนังสือเจอแล้วเขาก็พูดว่ากายจิตเวทนาเนี่ยแยกเป็นส่วนๆเลยเ อ, อภาพที่หนูได้จากการปฏิบัติเนี่ยมันคือมันคือสิ่งนี้ใช่ไหมคะยังไม่ใช่เหรออ๋อค่ะเออ ค่ะแล้วก็อมีอีกครั้งหนึ่งอพอนั่งนั่งไปพอจับจังหวะได้ว่าเออนี่คือเรากลัวพอพอทันทีที่เรามีความสึกว่าเรากลัวเราก็บอกกับตัวเองได้ว่าอ่อันนี้ไงอันนี้จังให้เราเห็นแล้วก่อนหน้านี้เราไม่มีความกลัวแต่พอจังหวะนี้ยคือเรากลัวทันทีปุ๊บยังไม่ได้เริ่มพิจารณาทางปัญญาจิตก็สงบเลยเป็นสมาธิเข้าสู่อุเบกขาถ้ามันสงบได้ก็โอเค ถ้ามันยังไม่สงบก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทําำสิ่งที่เรากลัวคืออะไรหรือเรากลัวอะไรเราพยายามใช้ปัญญาค่ะยังไม่ทันได้คิดเลยค่ะแค่แค่บอกอยังไม่ทันได้ใช้ปัญญาเลยค่ะพระอาจารย์<ม>แค่บอกว่าเอา้านี่ไงความกลัวมาแล้วนี่แหละอันนี้จังนี่แหละยังไม่ทันได้คิดเลยค่ะมันก็สงบไปทีพอมีสติมันก็สงบได้โดยการใช้ปัญญาค่ะก็ให้รู้ทันมันนะ ด้วอาการต่างๆแล้วพอรู้ทันมันก็จะสงกตัวลงกค่ะทำที่สงบมันแสดงว่าเราต้องใช้ปัญญาค่ะค่ะเริ่มรู้ทันล้คือก่อนหน้านี้แบบจับไม่ทันว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นแต่กว่าเราจะรู้สึกนั้นคือเราคิดไปไกลแล้วอ่ะเราไปสร้างภาพหน้าโกให้กับตัวเองไปไกลแล้วแต่เพิ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งเห็นว่าอ้อพอมันกลัวปุ๊บเราจับทันพอเราจับทันปุ๊บมันไม่ไป อีกเลยมันไม่คิดไปอีกเลยก่ดีเดี๋ยวอยากจะกลับมาพูดเรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกายจิตเขาเวทนาใช่ค่ะวิธีเช่อเรรู้ต้องรู้อย่างนี้รู้ว่ากายก็คือร่างกายของเรานี่ที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะใช่เวลานั่งสมาธิเนี่ย น, นั่งกายมันก็เป็นเป็นผมขนเล็บฟันหนังเหนืออาการสาสิบสองค่ะอาการเจ็บที่เท้า ท, ที่อะไรก็มันก็เป็นเวทนา <K. S 2> ค่ะผู้ที่รู้กายรู้เวทนาก็คือจิตอ่ามันเป็นมันเป็นภาพสงบสงบที่เป็นประธานอยู่ด้านบนใช่ไหมคะมันเป็นภ<ช>าพอย่าไปอย่าไปดูภาพมันไม่ใช่ภาพอ่ามันเป็ น, นบรรยากาศเสียงเงียบเงียบสงบอันนั้นไม่ใช่ตัวจิตตัวที่รู้กายรู้ตัวตัวที่รู้เวทนาเนี่ยคือตัวจิตอ๋อค่ะตัวจิตมันไม่มีมันไม่มีรูปร่างรูปตางมันมันไม่มีมันเป็นเพียงแต่ตัวรู้ ค่ะ <BS> รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งค่ะ <BS> แล้วก็หน้าที่ของมันก็คือปล่อยให้ร่างกายเป็นไปปล่อยให้เวทนาเป็นไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ <BS> ท่านั้นนี่คือการแยกสามอย่างนี้ออกจากกันค่ะเอ่อตัวเวทนาก็คือตัวกระเพื่อมเล็กๆน้อยๆทันทีที่เราผัสสะแค่ตรงนั้นแหละมันเป็นจุดเล็กๆเองใช่ไหมคะไม่ใช่ พูดถึงตัวความเจ็บเนี่ยเวลานั่มามันเจ็บในตัวนั่งอ๋อค่ะทุกขเวทนาค่ะไอเวทนาตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาสุขเวทนามันไม่เป็นปัญหาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาไม่เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหากับจิตทุกขเวทน <universal. S 2> ทุกขเวทนาค่ะเราต้องสอนจิตให้ปรับตัวให้เข้ากับทุกขเวทนาให้ได้เพราะจิตมันชอบอ่ามันมันไม่ชอบทุกขเวทนา ให้ทุกขเวทนาออกน้ำออกลมอยากให้มันหายก็เลยทําให้เกิดทุกขใจขึ้นมายังต้องสอนจิตว่าอย่ามาสร้างทุกขใจในการไปอยากให้ทุกขเวทนามันหายปล่อยให้ทุกขเวทนาของอยู่ขอามันไปเพราะมันเี็นลมาเราไปรับเขั้นไม่ได้กลัวมารับปล่อยให้พอใจปล่อยให้เวทนาเจ็บไปไม่มีความอยากให้มันหาย ทุกใจมากขึ้นค่ะอยากไหอนใดค่ะเอ้ยไมเหียเหรอมีอะไรไม่เหี้ยอ๋อแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเออก่อนจะไปปฏิบัติบนเขาเนี่ยก็มีความกลัวใช่ไหมคะก็บอกกับตัวเองว่าสู้เออถ้าเกิดว่าเราัวจต่กลัวแล้วอยู่ที่เราก็จะต้องกลัวไปตลอดชีวิตก็ ยังไงก็ต้องสู้อะไรยเงี้ยใช่ถูกต้องอ่ก็คือบบกว่าก็ออบอกว่ า, ก, วากลัวไหมก็กลัวแต่มันไม่ใช่ถึงที่สุดที่จะทำให้เราหยุด <S <s <uck ed> คือมันมีมันมีธรรมอ่ะที่เราจะต้องไปหาแล้วมันอยู่สูงกว่าความกลัวก็เลยทำให้เรากล้าที่จะไป ถ้าไม่เชื่อยอมเที่ยวมกลัวเระจะวันตายเออก็หนูก็คิดแบบเนี้ค่ะอถ้าเกิดเราัวแต่กลัวอยู่นั่นนะ่ะเราก็จะย่ำอยู่กับที่ต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสู้ยอมจ ะ, ะเกิดยอมจะเจ็บก็ยอมจเจ็บจะตายก็ยอมตายมันก็จะหายกลัวปัญหาของกลัวสองอย่างไนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทุกอย่างลำบากค่ะอย่างนี้ก็พามาไปหามันเลยแล้วก็จะได้หายกลัวค่ะ อ่าตอนนี้ก่อนนะค่ะอยู่ที่ไหนอยู่เชียงลุรีหรือยู่กรุงเทพนุ้งเหรอคะอยู่กรุงเทพค่ะใ่นะโอเคค่ะมีะวเวาว่างก็ไปปฏิบัติต่อนะค่ะค่ะคุณกล้องคุณกล้องยนอยู่ที่ไหนอยู่ที่เพชรบุรีครับเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเหรออยู่อยู่ อำเภอยเขาย้อยเจ้าค่ะเอาย้อยครับเจ้าค่ะจังหวัดเพชรบุรีใช่ครับอืมยังไนีคุณแม่เหอครับผมยังไงจะถามไหมถ้าอาจารย์เจ้าค่ะพอดีแม่แม่สามมีป่วยแต่ว่าคือเขาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่ว่า ต้องมีคนคอยดูแลใกล้คิดอยู่ตลอดนะคะทีนี้เขาทีนี้ก็คือทางญาติเขาให้ดิฉันไปเฝ้าไปเฝ้าแม่สามีอคะ่ะเออก็มีเวลาว่างก็ไปเลยเพรนก็เป็นเหมือนแม่เราอะ่ะแม่สามีก็เป็นคิดว่าเป็นเหมือนแม่เราแต่คือมีมีมี ม, ม, มีสัตย์ใจอยู่สามคนแต่ว่าเขาให้ดิฉันไปเฝ้าอยู่คนเดียวเจ้าค่ะ ว่ถ้าเราว่างก็ควจะดีใจคนยินดีแสดงว่าเขาว่าใจเรามอย่าไปคิดในทางลบดวยแล้วได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณให้กับสามีแม่ของสามีพาถ้าไม่มีแม่ของสามีเราก็จะไม่มีสามีใช่ไหม <c oughs> ก็พยายามมาให้เขาว่าเป็นเหมือนกับแม่เราแต่ไปเฝ้าก็เครียดเหมือนกันเจ้าค่ะถ้าถาไม่ไปจะบาปไหมเจ้าคะ่ะไม่บาปราแต่ไม่ได้บุญนะไม่ได้บุญ <c oughs> แต่ถ้าถ้าถ้าไปโดยที่ว่าถ้าไปแบบไม่สบายใจหรือว่าไม่คือมันเหมือนเหมือนกับว่าได้ได้บุญแต่ได้น้อยบุญน้อยกว่าถ้าไปเราสบายถ้ายินดีไปแล้วมันก็มีความสุขมันก็จะได้บุญมากกว่าแต่อย่างน้อยเราถ้าเราไปแสดงว่าเราอ่ยินดีที่เสียสละเวลาของเราเพื่อแปให้เขาได้สบายทําประโยชน์ให้กับเขา ้็แผ่เมตตาไงแผ่เมตตาถ้าไม่ไปก็ไม่บาปใช่ไหมเจ้าค่ะไม่บาปต่ไม่ได้ไม่ไม่มีความเมตตาแล้วนี่ไม่ไปก็ไม่ไม่มีความเมตตาถ้าไปก็มีความเมตตาเราเมตตากับเขาถ้าเกิดไปทาบุญโดยวิธีอื่นได้ไหมเจ้าค่ะไปปฏิบัติธรรมหรืออยากจะไปปฏิบัติธรรมบ้างได้ทําอย่างไงก็ได้แล้วแต่เราเราเลือกทําได้ถ้าบุญแบบนี้เราไม่ชอบทํำเราก็ไปทําบุญอีกแบบหนึ่งก็ได้ เจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะโอเคทางมีอะไรไหมครับเขเออแม่แม่เขารู้สึกว่าแบบมันมันไม่ค่อยเท่าเทียมเันครับของก็โลกนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างไรมันนิ้วเรายังไม่เท่ากันเลยก็คิดว่าเราเป็นนิ้วนิ้วนิ้วก้อยก็แล้วกันคนหนึ่งก็เป็นนิ้วชี้นิ้วนางเขาเรื่องของเขาแต่เรคนกลามาไม่เหมือนกันอาจารย์เจ้าค่ะ เออโยมปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งแล้วเจ้าค่ะทีนี้ถ้าต้องการทราบว่าการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปถึงไหนนี่ก้าวก้าวหน้าไปถึงไหนหนี่จะดูได้ยังไงเอะเจ้าคะมาดูที่กิเลสมีมากหรือ ม, มีน้อยความโลภกรธหลงมากขึ้นหน้อยลงหรือ ว, ว่าความเมตตามากขึ้นหรน้อยลงก็ได้ถ้าปฏิบัติธรรมก้าวหน้าความเมตตาก็จะมีมากขึ้น มีมีโอกาสจะได้เป็นาระญาติบุคคลขั้นโ ส, สดาบบ้าบไหมจ๊ะค่ะอเป็นพ้าหลานก็ได้ถ้าปฏิบัติไปพระพุทธเจ้ารับประกันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่แต่เราต้องยินดีเสียชะละถ้าถึงคิวเราต้องไปเลี้ยงดูแม่ก็แม่ผัวก็ไปน ะ, อ, ะอย่าไป ถ้าไม่ไปมันก็เหมือนว่าใจเรายัางไม่มีความใจกว้างพอตแต่ถ้าเรามีความยินดีจะต้องไปทําอย่างอื่นจริงๆไปไม่ได้ก็อีกอย่างหนึงแต่ถ้าว่างก็ไปได้ก็ไปแต่ตใจแต่ใจโยมันอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดก่บเจ้าพ่มก็ได้ถ้าจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปแต่อย่าไปเอาเป็นข้ออ้างมาเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่ไปทําหน้าที่ของเรา พอแม่สามีก็เป็นเหมือนแม่แเราถ้าเขาให้เราจัดเวรให้เราไปเราก็ต้องไปบ้างแต่เราก็ไม่ต้องไปทตามที่เขาจัดเราก็ดูความเหมาะสมเขามีลูกสบายสามคนเขาแบ่งเันไปเด็กคนละวันสองวันพเพราะว่าไปล้วก็ทําตามโคต้าของเราไปก็แล้วกันถ้าจะกรับแล้วถ้าสมมติว่าไปกันไม่ไปถ้าสมมติว่าเราไปแต่ว่าพออยู่กับญาติแล้วแล้ว เ, เราแบบเราโมโหญาติอะไรเงี้ย บรรยากาศเป็นบาปมากกว่าไหมพวกกูมาลงแล้วไอ้ว่าเราไปรับใช้ท่านอย่าไปเราเราเป็นเหมือนคนคนรับใช้ไปแบบเป็นเหมือนคนรับใช้ไม่ใช่ไปเป็นเจ้านายก็อือนี้เขาจะสั่งให้ทําอะไรเขาจะทําอะไรก็ก็ก็ปล่อยก็ทําไปเราเป็นคนรับใช้ไปเพไปคอยช่วยเหลือเขาไปคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขาไปเร่องนี้เขาจะบ่นเขาจะว่าถือว่าเขาเป็นเจ้านาย อันนี้มีการฝึกลดอัตราตัวตนดเลยลดกิเลสของเราลดการถือเนื้อถือตัวใครว่าเราไม่ได้ใครทํำมาให้เราถูกจะไม่ถูกใจไม่ได้เราก็จะโกรธขึ้นมามาทำฝึกมาทำใจว่าเราเป็นเหมือนเจ๋วเป็นเหมือนคนรับใช้ไปแล้วไม่ไม่เข้าสบายใจเจ้าค่ะหลวงหลวงพ่อคือคือโยมจะดูว่า ลูกลูของเขาเองยังไม่ไปเลยเจ้าฟังแล้วทำไมจะให้ลูกสะใภไปเจ้าฟังเราย่าไปมองเขาอย่างนี้ถ้าเรามองอย่าน้เจาฟัเราจะไม่ได้ดียังไงใช่ไหแล้วต้องมองว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเลี้ยงไปเห็นพระป่วยอยู่ลูกยังไม่มีมีพระใครดูแลพระพุทธเจ้าเลยไปดูแลเองเจ้าฟังโดยอันนป้นเวลาน้ำน้ำอุ่นมาเนี่ยอาจารยกาวผ้าเช็ดแผลนะของพระสุขประกว่าไม่ ถ้ามี้าพรูปไหนอยากจะเข้าไปดูแลพระเกจ้า ก, ก็เป็นคนไปดูแลเช็ดมืเช็ดตัวให้กับภาพรูปนั้นแล้วก็สอนท่าว่าเนี่ยเราเป็นพี่เป็นน้อง ก, กันทุกคนอยู่ร่วมกันต้องคอยดูแลกันช่วยเหลือกันแล้วก็สงสัดว่าถ้าใครอยากจะดูแลเราก็ให้ดูแลภาพป่วยอันนี้ก็เหมือนกัน เขาต้องเขาต้องการความดูแลช่วยเหลือเราทําได้ก็ควรจะทํายิ่งถ้ามันเป็นส่วนเป็นหน้าที่ของเราด้วยเราก็ทําไปเนี่ยไปมองคนแล้วคุณจะดีใจว่าเออเขาสละเขาสละคิวให้เราเราจะได้ทํามากแย่งทาบุญเนีย่ยอย่าไปแย่งแย่งเงินเวลาถ้าเวลาแยกสมบททัตินี่แย่งเงนใหญ่เวลาคุณ ย, ย่าตายนี่เดี๋ยวไปแย่งดูว่าใครจะได้มากได้น้อยใช่ไหมแต่เวลา ต้องไปเลี่ยงคุณยา่าไม่มีไม่มีใครอยากจะไปกันมันต้องสลับมันต้องกลับกันถ้าเป็นธรรมมันต้องไปแย่งแย่งทำบุญกันแย่งไปแย่งรับใช้คุณยา่าไม่ใช่ไปรอแย่งเงินไม่รอแ ย, ยง่มยยงมารอดกกันอันนั้นจริงีเลยเข้าใจไหนะมคือการรับใช้ผู้อื่มัีอยู่สิธประการด้วยกันหนึ่างนั้นก็คือการรับใช้ผู้ มันเป็นการลดลดอัตราตัวตอนกิเลสตัวใหญ่คือตัวอัตราตัวตอนนี้ยังตอนไปโยไปอยู่วัดไม่ได้นะไปอยู่วัดเดี๋ยวโดนคนนังคนนี้ดา่าคนนั้งว่ามันนั้นสั่งให้ช่วยล้างถ้วยล้งางชามถ้วยทำนู่นทำนี่แต่เราไปถือเนื้อถืตัวเดี๋ยวก็เราก็อยู่เขาไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีเจ้านายทั้งนันะ้ในใครเป็นเสือเก่าใครอยู่ก่อนก็เป็นเป็นคอยคนคอยคุม โรงหมาใหม่เข้ไปก็ต้องรอให้หมาเก่าเคนสั่งการพรอาจารย์พนิยมมีโรคประจําตัวอยู่ด้วยเจ้าค่ะแล้วถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เก็ไม่ว่าอะไรถ้ามีโรคก็ไม่ไปก็บอกเขาไม่ไปไม่ได้ก็ไม่ไปก็แล้วกันมีโรคประจําตัวแต่ไม่ทําอย่างอื่นได้แต่ไปรับใช้แม่ยายแม่แม่ผัไม่ได้ไม่ว่าอย่างไงกะ เวลาจะไม่ทามันก็หาเรื่องอ้างได้ทุกอย่างะแต่พอเวลามันจะทํามันก็ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยกินดีกินดีไอมันชวนไปท่ากระเทียนท่าพาป่านี่ก็ไปพูดเลยทังเราชอบพอเราไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็เลยเกิดอาการถ้ า, ปาไปแ็บฝืนแบบฝืนแบบใจไปนี่ไม่ได้บุญที่ไม่เจ้าค่ะได้ฝืนใจไปยิ่งได้บุญนี่ยจะได้ชนะกิเลส ต, ตัว ตัวตัวที่ไม่ยอมไปเนี่ยถ้ามันจําเป็นต้องไปแล้วต้องฝืนใจไปก็ต้องไปก็เป็นเราเป็นลูกเขาไม่ใช่เหรอเราแต่งงานกับหัวเขาแต่งงานกับลูกเขาแล้ว้องคิดว่าเผืนอแม่เราเป็นอะไรแล้วหัวก็หัวเราไปไปช่วยดูแลพ่อเรางี้มากแล้วเราเราเคยว่าเป็นพ่อแม่เราทั้งคู่กัน่ใช่ไหมอย่าไปแย้งว่าเป็นพ่อแม่หัวฉันไม่เกี่ยว ไม่ถูกเดี๋ยวพอถึงเวลาพ่อแม่เราเป็นอะไรก็หวังมันไม่ใช่พ่อแม่ของฉันฉันก็ไม่ไปช่วยพ่อแม่ยอมตายทั้งสคนคนขอบขอบพระคุณมากขอบพระเร้าได้บุญเยอะกับพระเจ้ากทินนี่ทำบุญในสิ่งทาบุญที่เราไม่ชอบได้แสดงว่าชนะใจเราชนะกิเลสเราตัวไม่ชอบได้ แล้วค่ะอาจารย์ก็้องไปคถามอีกหน่อยจ้าค่ะหมาว่าอะไระอาจารย์ครับที่รู้สึกว่าเอ่อที่ที่ข้างบ้านครับเขาเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันครับแต่ว่าเหมือนช่วงหลั ง, ขงเขาเขาไปติดยาเงี้ยครัแล้วผมรู้สึกว่ามีมีแบบก็มีพวกเพื่อนเขามาเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทํามันทําให้สิ่งแวดล้อมที่บ้านมันไม่ค่อยดีเงี้ย แต่เมื่อก่อนล้วก็ไปเล่นกันปกติครัแต่ว่าพอเข า, าติอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปคุกคีกับเขาเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้คุยกันเลยเงี้ยเราบางทีมันรู้สึกว่าเราใจดำเหมือนกันครับแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าก็ทําดีแล้วที่แบบต้องห่างเขาหน่อยนะครับก็เพราะลอดภัยอะไรเงี้ยก็ไม่เสียหายท่างนั้เนเลก็ถูกต้องแนละ้วเมื่อ ร, รู้ว่าเขาเป็นภัยแล้วก็อยากเข้าใกล้ก็เดี๋ยวเขาก็จะ ชวนเราไปเสกบ้างอะไรบ้างหรือบางทีเขาควบคุมมาเราไม่ได้ก็จะพูดไม่ดีอะไรเดี๋ยวก็ตัดเกิดการทะเลาะวิวาดกันได้ดนั้นนะทางที่ดีถ้าแยกกันอยู่ได้จะดีกว่าเราไปคบคนคนคนค น, คนพาลคนไม่ดีให้ควบคนดีดีกว่าคนพาลก็คนไม่ดีก็วชวนไปทําในสิ่งที่เขาชอบทําคนดีก็ชวนไปทํำในสิ่งที่เขาชอบทํา ท, ทําความดี ต้องรูจากเลือกคบคนถึงแม้ ก, ก็อดีตเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้ก็จริงอยู่แต่ถ้าก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็ควรที่จะปรับปรับให้เท่ากับสภาพความจริงอเอาไครับน่าจะครับเพราะว่าคบนี่คือแบบท่านหมายความว่าอย่างเจอกันเนี้ยมันก็ต้องแบบมันที่เจอกันแล้วก็จะมีทักทายกันนี้มันก็ทักทายได้แต่ไม่ต้องไปทำอะไรกันพยายาม ปิดตัวออกจากเขาเขาชวนไปไหนก็ปฏิเสธไปไม่ต้องไปกับเขา mm hmm. เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วไม่เข้าใจ mm hmm. คนเดิมเป็นคนดีตันนี้เขาเป็นคนไม่ดีแล้ว mm hmm. แต่เราไม่ไปโทษเขาเราไม่ไปว่าเขาเขาจะไม่ดีก็เป็นเรื่องแต่เราจะไม่ไปกับเขาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาจะชวนให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเขาต่อไป ไม่เป็นไรไม่เป็นการไม่้เป็นการ อ, รอ่อะไรทิ้นเคลื่อนอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องเรื่องของการคบค้าสมาคมคกันขอบพระคุณมากเจ้าปบาแซนโอเคสาวดวจะโ ค, คุณอ้อมนี่เป็นใครคุณอ้อมสุภอ้อมทีมงานเข้าบ้างไม่ใช่นะ เ, เชิญคุณอ้อมเ่อดไม้ เปิดไมค์หันมิวโอเคพูดได้ธรรสการครับหลวงปู่ครั บ, รบพูดดังไหน่เสียงเบาม้วยกันธรรสการครับหลวงปู่ครั บ, รบว่ามามีอะไรด้วครับ พ, พอดีผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับผมอะอยังไงอ่าผมนั่งสมาธิอ่าอย่างเช่นผมนั่งไปช่วงช่วงสิ บ, บนาทีแรกเนี้ยผมผมหายอ่าหายใจเข้าพุธ หายใจออกโทรแต่พอนั่งไปสักพักหนึ่งมันกลายเป็นไม่ไม่เอารมหายใจเป็นพุทธโธพุทธทอย่างเดียวพอนั่งไปสักสิบนาทีก็กลับมาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรผมก็เลยไม่รู้ว่าจะออนไหนแน่ครับอย่างนี้ถูกไหมครับก็ควรจะออนใดอันหนี่ยเอาพุทธอย่างเดียวหรืออารมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างครับแล้วแต่เราพอใจแบบนั้นแล้วก็แบบไหนครับผม แล้วทีนี้ผมจะรู้ว่าจริตของแต่ละคนนะครับผมจะรู้ได้ไงว่าคนเราจะหลดแบบไหนถึงจะภาวนาครับไหนแล้วแล้วมันแล้วมันสงบปะครับผมเราชอบแบบไหนก็คือจริตแบบนั้นนะเราชอบพุทโทก็แสดงว่าจริตขเราชอบพุทโธถ้าเราชอบดูลมก็แสดงว่าจริตของเราชอบชอบลมแล้วก็เลือกเราทำอะไหนที่ทำเราสบายชอบเหมือนเรากินข้าวเราเลือกไม กิน <it lim S 2> กับข้าวอันไหนไหนไม่กินแบบนั้นคือกช่กินแล้วเราก็มีความอันไหนรี่เราไม่ชอบกินแล้วไม่ไม่สุกเราก็ไม่กินใช่ไหมครับอือ<ร>แล้วมันก็มีแค่สองแบบเนี่ยพุโทโธรกับลมอ๋อถ้าเกิดว่าอ่าพุทโทรเนี่ยเราไม่ต้องดูลมก็ได้แค่นึกพุทโทพุทโทไปก็ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่ต้องดูมลมอือแต่ถดูลมก็ไม่ต้องพุทโทรเลยดูลมเฉยเฉยดูที่ปลายจมูกเข้าออกเข้าออก แต่แต่บางทีผมควบสองเลยครับในการนั่งสมาธิครั้งหนึ่งคว บ, บสองก็ได้อันนี่ถ้าเราถ้าถ้าเราชอบสองก็ควบได้อ๋อใช่ไหมหครับวิธีเดียกันครับแล้วอ่าอ่าที่ผมเคยอ่านในหนังสือของครูบาอาจารย์นะครับผมอย่างเช่นแบบอย่างเช่นอ่าครูบาอาจารย์ท่านหนึง่งไปหาหลวงปู่มั่นแนะล้วหลวงปู่มั่นบอกว่าท่านอ่าเป็นคนราคาจะจะเรีด ต้องต้องบริกรรมอีกอีกคัดอ่อีกบทหนึ่งครับผมผมก็เลยอ่าไปนึกไอคิดว่าไอถ้าจะตัวเองถ้าเวลาราคาจะรีบขึ้นเนี้ยแล้วผมจําบทได้แบบว่าหลวงปู่บอกให้ให้ไอีหลวงปู่องค์นั้นคาบริกรรมให้เป็นอ่าเยกวดโชปฏิกโกโรแล้วผมลองเอามาบริกรรมดูมันมันรู้สึกว่ามันต้องทํามากใช่ไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวครับผมคือมันต้องเห็นภาพ เหมือนต้องเขา้าเข้าใจความหมายคเรี่เราท่องครับอใ ห, ให้ให้เห็นเห็นอสุภะเข้าม า, า น, นให้เห็นโครงกระดูกเป็นต้นเนี่ยให้เห็นดับตายไสพงหเห็นซากศพเนี่ยเพื่อที่จะได้ดับการมาราคาได้ครับอ่าและที่นี้ขอาการถามนลวงปู่ข้อนึงครับองอย่างเช่ น, นอ่ะผมอ่าสวดมนต์อยู่อยู่ในห้องเนี้ยครับแล้วบางทีผมผม ในห้องนอนตัวเองเนี่ยเราเราสามารถถอดเสื้อสวนมนต์่บาปไหมครับอ่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่บาปไม่เป็นไรถ้ามันนอนอ๋อใช่ไหมครับผมแต่ถ้ า, าแต่ถ้าใส่เสื้อได้ให้มันเรียบร้อยหน่อยก็ดีเพราะว่าถือว่าเราปฏิบัติบูชายอยู่ถึงแม้จะไม่มีคนเห็นก็ตามอ๋อครับโ อ, อครั บ, รบแล้วทีนี้อ่าเวลาผมนั่งสมาธิไปนานๆครับ ทำยังไงถึงจะข้ามเวทนาได้ครับผมนั่งไม่เคยถึงหนึ่งชั่วโมงสักทีครับเคยถึงก็แบบเหมือนตัวจะแตกครับมันทนไม่ได้ครับมันต้องต้องออกอมาอย <มา S 1> ่างเดียวต้องพยายามพูดโทตอนที่มันอยากจะออกนั่นพยายามสู้กับมันใช้พูดโทต้องต้องพยายามหยุดท้าพูดโทพูดโทแล้วเดี๋ยวมันก็นั่งต่อไปได้เพราะว่าเวลานั่งบางทีเหมือนเหมือนเคยคิดว่าเออเคยเห็นว่าโอ้ตายก็ตายแต่มันไม่เหมือน ค, คําพูดทักทีครับ มันพอมันใกล้จะตายมันก็พอพองเงี้ยครับว่ามันไปทำอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็สู้ได้อเนี่ยทำพุโทโธพุทโธไปแล้วอะไรจะร่างกายจะตายแล้วมันตายไปเราขออยู่เคำว่าพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวครับแล้วแล้วผมขอขอกรถามอีกข้อนึงครับผมก็คือทำอยังไงถึงไม่กลัวตายครับผมเอ่ก็ต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆที่ว่าร่างกายนี้ชักวันยังก็ต้องตาย แล้วก็คิดว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราครับมันมาจากดินน้ำลมไฟเราเป็นใจผู้รู้มาเกาะร่างกายนี้ไปสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆครับครับผมสาธุราครับผมขอครรวะครับผมสาธุจับเดี๋ยวคุณต่อไปคุณพิมพ์พิดาเป็นยังไง่ากับน้ำสกายะครอาจารย์ ค่ะสบายดีค่ะก็อ่าตอนนีอ้อยู่กรุงเทพมันอยู่ประทศเนี้ยตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะโอเคค่ะก็อ่าสัปดาห์นี้ก็มีภารกิจของทางบ้านค่อนข้างเยอะมีเวลานั่งสมาธิน้อยค่ะแต่ว่าก็ยังพยายามรักษาสติระหว่างวันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะไปอยู่วัดละคะ่ะอ่าจะไปปฏิบัติที่ไหนเด้ออ่าเป็นวัดอ่าวัดป่าอยู่ทางภาคเหนืออะคะ่ะสายหลวงปู่มันเนี่แหละคะ่ะ จะไปดูวันนะ่ะก็คือตอนนี้หนุมไม่ได้จองตั๋วกลับอะค่ะแต่หนูก็ตั้งใจว่าจะไปให้ได้สักหนึ่งเดือนถ้าถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินเรื่องลูกอะค่ะเพราะว่าถิงลูกไว้กับคุณตาคุณยายแล้วก็พี่เลี้ยงอะค่ะดีดีถ้าไปได้ก็ดีอะโนโมทนาไปแล้วก็อย่า <c oughs> ไปกังวลไปคิดถึงรลูกไปไว้อย่าไปห่วงที่วราตายจากการชั่วคราวก็แล้วกั <c oughs> นค่ะีมันจะมาเป็นอุปสรรคในการภาวนานะค่ะออื ไปล้วคพยายามให้อยู่ปัจจุบันอย่าส่งใจมาหาลูกอย่าไปกังวลว่าลูกเป็นยังไงบ้างที่ว่าอยู่กับคนอยู่กับปู่ครับอย่าตากับยายแล้วก็ปลอดภัยแล้วเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นยังไงนะใช่เไหมคิดไปก็ทําให้เราวุ่นวายใจแล้วเดี๋ยวก็จะยั่ไม่ดีทนอยู่ไม่ได้ก็อยากจะกลับคอีกต้องตัดใจนะเวลาไปแล้ว่ค่ะ เมือนค่ว่าเราตายจากกันชั่วคราวแล้วกันค<ะ>่ะค่ะเงั้นจิตมันเดี๋ยวจะคอยคิดเป็นห่วงลูกอยู่เรื่อยๆค่ะแ้วมันห่วงว <พอ S 2> ่ต้องทิ้งพูดตัวพูดโทรพยายามหยุดความคิดไปค่ะค่ะพอแค่เหมือนก่อนตอนจะไปนี่ก็ก็รู้สึกว่าแบบยากละค่ะคือเหมือนแบบ<ะ>คือจริงๆหนูก็เคยไปปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแต่ว่า ตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยยังไม่ได้ไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นครั้งแรกเขาว่าบวงเป็นยังไงตามที่พระเจ้าใช่ค่ะค่ะบ่วงพระเจ้าจะไม่กล้าไปดูดูหน้าลูกหนีไปเลยคืนนั้นเลยค่ะลูกในในอิทธิพลต่อพ่อแม่มากค่ะควากคเหงื่อเนื่ค่ะค่ะแต่ไปเราก็ต้องพยายามไม่ไม่นึกถึงแล้วก็ พูโทยากับปัจจุบันเขดีแลเขาปอดภัยเขาสนุกเองเขานะเาใจราเค่ะค่ะพยายามทำือความันจิบบน้ค่ะค่ะความรู้เพิติมบบนี้ค่ะแล้วก็จะดี้ค่ะสนุกยังมีทั้งการทำมีทั้งปฏิบัต ค่<ฮ>ะวารทอนมปฏิบัติมันก็ไม่ <ฮะ S 2> ก้าเ <ฮะ S 2> ค่ะไม่ปฏบิาจรลงทนค่ะมีกา็มีก็ถึงได้เนนี้สบกไปถึงถึ ง, ถงว <ฮะ S 2> ัดค่<ฮ>ะเกิด้ค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าแบบอาจจะหนูไม่แน่ใจว่าอตอนที่ไปจะมีโ อ, อกาสเข้ามาซูมสดหรือเปล่าแต่ว่าหนูจะจะพยายามตามย้อนหลังค่ะแล้วก็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 เรื่องแบบถ้าอยากก้าวหน้าในธรรมต้องมีอธิษฐานศัจจิ<ม>์วิริยะและก็ขันติก็จะพยายามนำมาใช้นะคะต้องมีสูตตัวนี้ไปแล้วก็ตอนตอนที่ก็มีมีมีอธิษฐานเพ่อได้้องใจว่าจะทำค่ะได้ฟ้องใจแล้วจ ะ, ะวจวมีสัก จ, จิไม่เปลี่ยนใจค่ะแ้วก็ท่านจา้ใจร่องคล้อย่าปการก็เม็นรื่ีเลี่จปลี่ยนจค่ะค่ะ มีสัจจะว่าเวลาเราเป็นทางตัดจไค่นะค่ะไเรียค่ะถ้าไปอยู่ที่มันทมา น, นาาคลก้ อ, อะ็ต้อง้วามท่วนค่ะม่จะอยู่้ไม่วจะทำาค่ะไม่ใช่ายได้เจะทรมานหนัไมากก่ต้องจบกเค่ะอที่สามได้แล้วนจะรับมเข้าข้สู่สภาพ่จะจอยู <illar coach> um, ค่ะ mm. uniform, ค่ะโอเคค่ะค่ะพระอาจารย์กรรบของพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะคุณเสือส่ึงคุณอรเทอร์ไลนะเ่าอาารีเอ็นเจไม่ได้มาด้วยนะเอเจ้ไปไหนเอ็เจ้อยู่ในกองเจ้าค่ะในกองค่ะค่ะปล่อยออกมาบ่อยเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้ออกไปไม่ได้เพราะว่า เหี่ยเยอะที่นี่เจ้าค่ ะ, ะมีอะไรไหมวันนี้โยมโ ย, ยมมีคําถามเจ้าค่ะคือว่าแต่ก่อนเนื้อเวลายมทําบุญหรือทําทานอะไรเงี้ยโยมจะตั้งคําอธิษฐานขอโน่นขอ น, น, ขอนี่ขอนั่นแต่มาช่วงปัจจุบันเนี้ยโยมไม่อธิษฐานโยมคิดว่าการทําบุญทําทานเป็นการรักความตนีทีเหนียวอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องอ ขอไม่ได้ละทําบุญขอให้สิ่งที่บุญให้เราไม่ได้ถึงทําบุญก็ได้บุญนั้นเองจะไปได้อะไรอย่างเดียวบุญก็คือความสุขใจได้ชนะกิเลสได้ความได้ชนะความตนันีความอยากอันนี่ยามันไปเที่ยวเวลาก็เอาเงินมาทําบุญแทนช่วยได้ตัดความอยากไปเที่ยวได้หรือถ้ า, ถาหัวก็จะได้จะได้ตัดความหวงความตันีได้บางทีว่ามันเราเราเรา เป็นคนที่แบบว่าประมาณไม่ค่อยเวลาจะทําเนี่ยรู้สึกเสียดายเจ้าค่ะรู้สึกเสียดายแต่พอมันมันมันทวนกระแสจิตไปว่าเหมือนประมาณที่ว่ามึงตายไปก็เอาเอะไรเอะไรไปไม่ได้ก็เลยทําไม่สนใจใทำํำนี้เจ้าค่ะได้ทําแล้วต่อไปมันจะมีความสุขนั่นแหละคือบุญแล้วค่ะไม่ยากจะทําเองต่อไปไม่ห่วงแนละ้วพอทําไปสักพักแล้วมันชนะความตันหนีได้แนละ้วมันเห็น เห็นคนจากการทําบุญว่ามีความสุขใจอิ่มใจมันตอบสนองมันก็อยากจะทําได้อย่างสบายตอนนี้อยากทําอยากทําบุญอยากทําทานอยู่ตลอดไม่เหมือนเมื่อก่อนเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีไม่มีคําถามนะเจ้าค่ะอา้าวลูกสาว ย, ยังไม่ได้กลับมาเลยลูกสาวมีเนี่ยเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึงเจ้าค่ะลูกสาวไปทหารแล้วไปเห็นภาพเขา ช่วงที่ว่าตอนที่เขาปึกนะเจ้าค่ะเห็นนะสงสารมากก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงใจสงสารมากแล้วก็ไม่ต้องไปสงสารเขาเลยเขาสมัคใจไปเขาเอางเขาไม่ได้ถูกบังคับไปก็อาจจ ะ, ะสนุกแล้วไปสงสารก็จะไมก่ก็กำลังสนุกของเขาเจ้าค่ะแต่ว่าพอมามองมุมกลับว่าเออไม่ใช่ว่าลูกเราไปแค่คนเดียวคนอื่นก็ไปถ้าคนอื่นก็ทําได้ลูกเราก็ต้องทําได้จ้าค่ะเพาจะได้เก่งอันเนี้ย ไปฝึกเพ<ห>ืให้เก่งไม่ได้ไปฝึกเพื่อให้อให้ทรมานเฉยๆมันไปฝึกเพื่อสร้างกําลังสร้างขันติความอดทานอะไรต่างๆแดีคนดีที่ไปาับเราว่าลูกเราเก่ง ไ, ไว้อ่าไม่ห่วงมันอำไมแล้วค่ะเขาไปไดเขาไม่ได้กลับมาเลยนะเจ้าคะ่ะไปสองเดือนไปฝึกแล้วก็เขาก็ไปต่อที่งานเขาเลยเจ้าค่ะสามเดือนต่อเนื่องเพราะว่าเป็นโควิดเขาไม่ให้กลับเจ้าค่ะ ไปที่ไหนอยู่ในรัฐเดียวกันนี้หรอหรือว่าไปอีกรัฐหนึ่งเขาอยู่เขาอยู่ตว์ค่ะไอ้ที่ฝูกซ้อมเนี่ยเจ้าค่ะอยู่ที่สแตวสโนอทแคโรไลนาค่ะแต่อยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาอยู่ทนงอดใต้เจ้าค่ะแล้วเป็นนอชโนกาดอะไรนะเจ้าค่ะเป็นนอชโนกาดใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะเขาเ้าเขา้เขาไปเป็น เอ่อทหารบกมาเ จ, จ้าค่ะทหารบอกเจ้าค่ะแล้วก็เป็นฐานชั่วคราวเน่ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นประจําใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นแค่รีเซฟค่ะรีเซฟโอเครีเซฟเจ้าค่ะเจ้าค่ะภาษาอังกฤษลูกก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ได้โอเคมีอะไรไหมมีม่เ จ, จ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะเดี๋ยวเชิญท่านต่อไป นางฟ้าจํำแรงยามาสัง ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูหนูฟังพระอาจารย์แล้วอะไรที่มันไม่มีเลยไม่มีคําถามค่ะโ okay. อเคพระอาจารย์เจา้าค่ ะ, ะคือตอนเนี้ค่ะหนูหนูขอเล่าหนึ่งเรื่องก็คือเวลาที่เรื่องในอดีตอะไรมันเข้ามาในความคิดอะคะ่ะคือหนูแค่รู้แล้วหนูก็ปล่อยคือรู้ไม่ปรุงต่อแล้วก็เอาจิตมาอยู่กับ ปัจจุบันนะคะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอถ้ามันหยุดก็ใช้ได้ถ้ามันไม่หยุดก็ต้องใช้พูดโทรช่วยให้มันหยุดแล้วคือว่าตอนนี้คือแบบสงบจังเลยค่ะรู้สึกว่าสงบสงบค่ะอ่าดีพยายมรักษาความสงบไว้นะโอเคไปท่านต่อไปนะคุณเคนคุณเคนเชิญได้พูดครดับผ<อ>มครับอาจารย์ได้ยินไหมครั อยู่ที่ไหนคุณเกนอยู่ระยองครับพ ร, ระอาจารย์ยอง okay. ครับผมก็ ค, คือเอ่อมันมันถึงช่วงที่แบบว่าวัดใจครับอาจารย์คือช่วงที่ว่าอยากอยากแยกระหว่างกายกับจิตแต่พอแยกออกไปแล้วมันกลับเหมือนเหมือนเหมือนจิตมันกลัวกลัวตายครับพระอาจารย์ เอาจะแก้มันยังไงดีครับอาจารย์แยกไม่ถูกทางมันแยกด้วยความคิดพละต้องแยากด้วยสมาธิอ่ะครับอาจารย์ผมลองแยกด้วยการพิจารณาธาตุขันธ์ทั้งหมดอันนี้ไม่แยกมันยังไม่แยกอืออือแยกด้วยสมาธิก่อนเราทํำจิตให้รวมก่อนครับถ้าแยากได้สมาธิได้แล้วถ้าไปแยกด้วยปัญญาตอนนั้นมันจะไม่กลัวเพรามันรู้ว่าไม่ไม่มีอะไรแยกได้ดีครับ ผมลองเรามานั่งคิดเองแล้วมันก็กลัวกันไปอ๋อไอ้ที่ว่ามันกลัวตายนี่คือเราสมาธิเรายังยังยังไม่ถึงมันใช่ไหมครับพระอาจารย์ยังไม่ถึงใจยังไม่ปล่อยวางมีสมาธิแล้วใจมันจะปล่อยวางอยวางเฉยได้โอเบคาแล้วบอกพิจารณาแยกร่างกายออกจากใจมันก็มันก็จะไม่กลัวอ๋อโอเคครับอาจารย์อันนี้แล้วผมครับผมก็เลยลอง ใช้สติปัฏฐานสี่ก็คือเดินตรงกลมเลยครับอาจารย์แล้วก็เข้าไป <ใน S 2> ไปทําใหม่นั่งสมาธิให้จิตรวมมาใหม่อืองั้นยากไม่ได้ยากยากด้วยความคิดมันไม่พอมันงยากด้วยสมาธิด้วยความคิดด้วยสองอย่างพร้อมกันอ๋อครับผมแต่แต่มันก็เห็นว่าเออกายอันนี้คือกายนะอันนี้คือสังขาร น, นะอันนี้คือคือตัวรู้ของเรานะเนี่ยครับแต่แต่มันไม่ยอมออกแค่แค่นั้นแหละครับอาจารย์ยังไม่แยกจากกัน ไปคิดเฉยๆได้เลยสมาธิเรื่องสามาธิหมดแล้วทีนี้เวลามันจะมารวมกันก็บอกว่านะตอนนี้เป็นใจนะตัวนี้เป็นร่างกายนะ อ, อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับใจนะครับผ ม, มก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กลัวอะไรแล้วมันมันจะมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาพอดีครับอาจารย์พอพอเรียกมาได้ปุ๊บเฮ้ยมันมันเป็นอนิจจังมันควบคุมไม่ได้นะ ให้เราป่อยวางอย่างนี้จะถูกไหมครับอาจารย์ได้ครับถ้าปล่อยวางได้ก็ถูกแล้วถ้าถ้าถ้าถูกแล้วมันมันมันยังกลัวตายอยู่ครับอาจารย์ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิไม่มีกําลังปล่อยหรือว่าต้องปล่อยแต่มันยังไม่อยากปล่อยไม่คลายอือนี่แหละครับผมก็พยายามเอาอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่ยึดติดมันมันมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารต้องไปทําสมาธิก่อนเป็นยังไง โอครับอาจารย์โอเคครับผมครับผมสาธุครับอาจารย์มีแค่นี้ครับผมคุณชารินทอนอยากมาเรื่อยๆใช่กับนมัสการพระอาจารย์เจ่าค่ะอวันนี้ดีสบายดีเลยสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะวันนี้วันนี้ยมก็ไม่ค่อยมีอะไรอะค่ะเพียงแต่มันมีความสุขอะค่ะพระอาจารย์แบบ ได้เข้ามาฟัง zoom ได้เข้ามาเห็นทุกๆคนถามคําถามแล้วโยมรู้สึกว่ามีประโยชน์ช่วยโยมในการพิจารณาในการปฏิบัติธรรมต่อไปโยมก็อยากจะกราบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ถามคําถามรู้สึกว่ามันดีค่ะพระอาจารย์การสนทนาการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะพระอาจารย์ยมนั่งมีความสุขไปเรื่อยๆอแล้วยอมก็รู้สึกว่ายมนั่งสมาธิได้นิ่งขึ้นนานขึ้น <Okay. S 2> อย่างสมมติเวลาที่เรานั่งสมาธิโยมอาจจะคือโยมไม่คิดว่าโยมจะนั่งได้นานขนาดนี้พอออกมา mm hmm. แล้วก็อุยนี่มันผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงแลนะ้วนาแล้วก็ในระหว่างที่นั่งสมาธิก็สามารถกำหนดความฟุ้งซ่านได้มากขึ้น mm hmm. จับให้มันนิ่งได้นานขึ้นอะค่ะพระอาจารย์มันยังไม่ได้รวม mm hmm. mm hmm. มันยังไม่ได้สนิทนิ่งเป็นอุเบกขาสักทีเดียวแต่ก็แต่ก็กนในหลาย ทำ ไ, ได้เรื่องเดี๋ยวมันก็ได้ อ, อทำได้ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์<ม>แต่มยมก็รู้สึกว่ามันมีความหงุหยิดอุ้นงานฟุ้งสร้านอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเรากําหนดมันได้เร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์อทขึ้นจหลังมากขึ้นด้วยค่ะยมก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าพอ อ, อตอนนี้ที่นี่มัน อากาศเริ่มหนาวโยมก็อาจจะแอบตื่นสายขึ้นนิดนึง่งช่วงเช้าก็อาจจะปฏิบัติได้น้อยลงแต่ก็มากําหนดเอาตอนเย็ยนมากขึ้นแล้วก็อทําได้นานขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็สติว่องไหวขึ้นใช่ก็ปรับเวลาได้ปรับเวลาได้ค่ะเวลาไหนสะดวกก็เวลานั้นค่ะค่ะวันนี้ยมก็ไม่มีคําถามค่ะพราะจาังเพียงแต่มันมีความสุขที่ได้เข้ามาฟังดังค่ะได้ได้พบสาธธรรมดกะ พวกคนพวกคนบุญอวกเดียวกันชอบเรื่องเดียวกันใช่ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะคะครับสาธุจ้ะสาธุาคคุณเบิร์ตท่านต่อไปคุณเบิร์ตบรุ่นห่ายเลครับกับนรมาสการครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเสวเลยอ๋อครับก็เข้ามาครั้งแรกครับเออ ก็อันนี้อยากจะถามครับว่าคืออย่างผมเนี่ยชอบปรุงแต่งครับแล้วก็เออ่ปรุงไปในสังขารเวลาได้ยินเสียงมากระทบอย่างเงี้ยครับผมก็คิดไปถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆอครับอันนี้จะหยุดยังไงดีครับต้องพุโทโธไปต้องพุโทโธไปครับผมพอจิตมันจะไปก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ กิตติปิสโสภาวัสัมมา ส, าสัมพุทโธแล้วจิตก็จะกลับมาไม่ตามไม่ไม่ฟุ้งไปกับความคิดต่างๆอฝึกพุทโธไว้ฝึกสวดมนต์ไว้แล้วพอรู้สึกว่าจิตเริ่มฟุ้งแล้วสวดไปเลยพยุทโธพุทโธพุทโธครับผมโอเคครับขอบคุณครับมีกันที่ไหน อ, อยู่ที่ไหนหนึ่งถามอยู่กรุงเทพครับ อายุเทนะ่าไหร่คอายุยี่สิบเจ็ดครับผมเคยบวชวัดปวร์แล้วก็ไปเ อ, อปฏิบัติอยู่ที่วัดยานสี่สิบเก้าวันครับกุฏิหลวงพี่ไทยครับออผมับนานแ ล, ล้วเมื่อสามปีก่อนครับอหลวงพี่ไทยกุฏิเบอร์หกอยู่ติดใครเราครับกุฏิเบอร์หกครับอันนี้เราอยู่กุฏิเบอร์ห้าครับผมเจอแล้วเปล่าที่มาคราวที่แล้ว อ๋อเจอครับครับผมวันนี้จะไม่ค่อยมีเวลาตักงทายคุยกันเท่าไหร่ะครับวันวันนี้เพิ่งเจอหลวงพี่ฟิล์มครับที่วัดบวรครับท่านกลับมาครับอ๋อครับก็พยายามศึกษาปฏิบัติทําไปเรื่อยๆนะครับผมกันครับผมกลับมาราการครับอคุณอมหรือคุณอ้อมสุภาพดีนะเชิญเปิดไมค์ก่อน กำลังมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนคันแก่นค่ะขันแก่นอ่าค่ะใช่ไหมไอไอพอดีอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเอ่ออย่างน้นอยๆชาตินี้ก็ขอให้สดได้สุดารวันก็ยังดีก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าแนวทางที่เราจะปฏิบัติต้องมีค น, นสมบัติอะไรบ้างถึงจะบรรลุสดาบันได้อค่ะพระอาจารย์ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ย เห็ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องพยายามต้องรักษาสีนแปดเพราะจะได้ช่วยสร้างสมาธิขึ้นมาอ๋อยังไม่พ อ, อถ้าถ้าสีสีนห้ายังไม่พอใช่ไหมคะมล้วก็ต้องเพราะสีนห้ามันมันสามารถไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรได้มันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธิพอแค่ออกกสีนห้าก็ไปไม่ได้ต้องอยู่ทีอ่อ๋อถ้าอ๋อ ถ้าสดาบันอย่างนี้บางทีสีลห้าก็จะไปไม่ถึงใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่เพราะว่ามันไม่มีสมาธิต้องผ่านสมาธิก่อนต้องอยานจะมีสมาธิได้ก็ต้องถึงสินแปดขึ้นไปอ๋อแต่ถ้าว่าเรายังทำงานทำใช้ชีวิตประจวันปกติเหมือนเราว่าคนอื่นอย่างนี้ก็คือจะยากหน่อยใช่ไหมคะ อ, อาจารย์ก็เป็นเทวดาไปก่อนเขาเลยทำบุญรักษา <c oughs> สิลหน้าไป <c oughs> ใช่ไหมคะอ๋อทาะอาจารย์ โอเคค่ะ อ, อาจารย์อ๋อพ่ออาจารย์ะคะลูกก็สอบถามอีกค่ะไอ้พอดีว่าแม่แม่ของดิฉันนะคะ อ, อาจารย์อยู่กับพี่ชายสองคนแต่ว่าอยู่กันแค่สองคนแต่ว่าพี่ชายกับแม่จะชอบทะเลาะ ก, กันหนักมากค่ะพี่ชายก็จะชอบด่าแม่อีอย่างนั้นอีอย่างนี้แม่ก็จะชอบแบบเอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆทาไมว่าลูกไม่เป็นคนดีอย่างอย่างโน้นอย่างนี้ อย่างนั่นนู่นนี่นู่นแม่ก็จะชอบแบบนี้แล้วก็พี่ชายกับแม่ก็ทะเลาะ ก, กันบ่อยมากแทบจะทุกวันเลยแล้วตัวหนูเองบางครั้งแม่โทรมาแบบมันก็ทําให้เราเป็นเป็นทุกข์อะค่ะพระอาจารย์ที่ว่าทําไมแม่กับพี่ชายถึงไม่คุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุผลทําไมต้องทะเลาะ ก, กันเทือบเกือบจะทุกวันอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ ว, ว่าเป็นกรรมของเาขงาใชยก่อนเคยทะเลาะกันมาอันนี้ เ, เรามาทะเลาะกันต่ออ๋อ บางทีหนูก็แอบคิดว่าเออหรือว่าเหนูเป็นลูกอักตัญยูหรือเปล่าที่ทําให้แม่ไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพระเาะว่ยวไม่เกี่ยวแล้วตัวพี่<อ>่ะเป็นตัวคนที่ไปทะเลาะกับแม่ะเป็นคนที่ทําให้แม่ไม่สบายใจไม่ใช่หรอโออใช่ไหมคะอาจารย์โอเชคค่ะอาจารย์กขอบพร ะ, พร ะ, พระพคุณมากค่ะอาจารย์ถ้าเราช่วยแม่ได้ดูแลแม่ได้อย่างใดก็ช่วยไป ส่งเงินไปให้แม่ to to <S <S ถ้ามีเงินให้่ค่ะผู้อารย์ถ้าเราดูแม่ไมได้ก <y> ็ฝากเงินไปแทนอ๋อค่ะค่ะพู้อารย์ค่ะพอทาถามแล้วค่ะพระอารย์ขอบคุณคุณมากๆค่ะ่ะธุคนเทมลินนะคนเทมลินเพิ่งเข้ามาเนี่ยใช่มคนเทมลินด้ยินไหม โอเคอยู่ที่ไหนใช่ค่ะนามสัส ก, การค่ะคาจารย์อยู่วันนี้มาบ้านแม่ที่พุทธมนตรใจสามเจ้าค่ ะ, คะอ๋อมีอะไรจะถามไหมอพอดีวันนั้นที่อาจารย์ให้โยมไปแก้ตลิตตัวเองที่เวลาเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ที่ให้ เออมันจะมีพอนั่งแล้วมันจะขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็บางครั้งนั่งแล้วมันจะดีดออกอะค่ะที่ว่าโยมเคยโดนในเรื่องของพวกปุนใสมนดําแล้วก็พวกแนวร่างทรงเนี่ยค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นโยมก็ลองทําดูตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่พยายามที่จะให้ส่วนเนี้ยมันหายไปด้วยที่ว่าพยายามจะฝึกให้มันเป็นปั ต, ติให้เป็นตับฌามะค่ะ แต่อาการมันก็ยังเป็นอยู่ค่ะโยมก็คิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาที่จะแบบให้ชนะตัววเนาะอย่าไปอยากให้มันหายก็แล้วกันมันไม่หายก็อยู่กับมันไปเพีย แ, แต่เราอย่าไปให้ความสําคัญกับมันปล่อยมันอยู่ไว้ต่างคนต่างอยู่มันไปเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธของเราไปมันจะอยู่ก็<ะ>ปล่อยก้อยู่ไปเดีย๋ยวเขาก็ไปเองพอหมดเวลาเขาเ้าก็ไปเ ถ้ายังไม่หมดเวลาก็าจะอยู่ก็ปล่อยก็อยู่ก็ค่ะแต่เพียงแค่ว่าบางวันที่เวลาเราพยายามอยากจะสวดมนต์อยากจะนั่งสมาธิมันเหมือนมันต้องป้านกันด้วยที่ว่ามันจะทรมานอยู่เหมือนกันนะค่ะก็ต้องใช้ความอดทนเตรว่ามันเป็นกรรมของเราก็ค่ะวิบากกรรมของเราก็ค่ะ ใช้ใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามใ้แล้วก็พยายามใช้สติจด awesome. จด short short uh, <S <s ่อยู่อาการสวดมนต์จดจ่อยู่อาการกระทำของาไปหมืออะไรมันจะมาขวางกั้นก็อย่าไปสนใจมันอย่าไปยุ่งกับมันนะค่ะอย่างสมัยก่อนตอนที่สมัยโยมยังไม่มีอาการยังไม่เจอพวกเนี้ยค่ะโยมสวดพรไฟปิฎกนี่จะไม่มีปัญหามากจะสวดวันละ จบหรือสามจบก็ทำได้แต่เมื่อวันก่อนลองกลับมาสวดใหม่หนึ่งจบนี่ทรมานมากเลยเจค่ะและ้วก็ไม่มังพอจะขึ้นโยงต้องใช้เป็นลักษณะฟังแล้วโยก็พูดตามท่องตามอะค่ะถึงจะพอได้แต่่อยังไม่ร้อยแล้วก็เซนเจ้าค่ะก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆต้องอดทนเป็นค่ะ อางมันก็มีฝวกน้ำมีลมปราศรัยขวางกั้นแต่เราก็อย่าท้ออย่าอย่ายอมแพ้ทําตามด้ถ้าเรายังทําได้อยู่ก็ทํำไปยากบ้างง่ายบ้างนะโยมก็ไม่ขึ้นเขาบางทีก็มีเดินลงเขาบางทีก็เดินขึ้นเขาเวลาขึ้นเขาก็ยางหน่อยเวลาเดินลงเขามาง่ายเน่อยนะคะให้มองว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เดินขึ้นเดินลงเดี๋ยว่าขึ้นเขาเดี๋ยว่าลงเขา ลงช่วงง่ายลองช่วงก็ยากถ้าเรามีความเพียงในการอดทนเราก็จะฟันฝ่ามันไปได้ใช่ค่ะทุกขขออันนี้ส่งผลแห่งบุญที่โยมตั้งใจทำไว้ดีแล้วก็ขอขมากรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมได้เคยร่วมเกินทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขออาหอสิกรรมและเปิดทางชีวิตให้โยมกลับมาเป็นปกติ สุง ด, ด้วยค่ะโอเคสาธุจ้ะสาธุก็จ้าสาธุก็จ้าพี่กุลมาลีวันณเนี่ยกุลมาลี่ไหนสวัสดีค่ะเยอะอยู่กรุงเทพค่ะต้องอมีอะไรไหมเลยนะคะมีค่ะอยากจะกราบเรียนถามพระจางแต่ว่าเออยังมีคนเขา เขาแบบแนะนําเรื่องพระสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าสมเด็จโตอะไรอย่างเงี้ยเออโยมคือโยมโยมอยากจะเรียนกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเออพระที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยคะ่ะเออความศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นคืออยากทราบ ว, ว่าจะมีความสามารถหรือความพิเศษที่จะช่วย ผู้ที่เป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะไม่้หอไปดูคนตายนายั้นเีย่ยวไอ้พระเด็มคอมีห่ยังมันไม่เกี่ยวสิ่งที่ศักาศาดออิ์สิทธิ์ในศาสนาผู้ก็คือกฎแห่งกรรมโยมก็ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมโยมคิดอย่างนั้นนะค ะ, ะคือนปัจจุบันนี้ก็ นณปัจจุบันนี้ก็โยมก็ไม่ได้ห้อยพระแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่นับถือพระนะคะก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมะพระก็ไม่พระนี่ก็ไม่มีใครห้อยพระกันอือค่ะแล้วก็ก็เลยคิดว่าแต่เขาแนะนํามาเราเราก็เราก็รับฟังแต่เราก็ไม่ได้ไปไปอะไรเขาอะนะคะเขาบอกว่าอย่าไปลบหลู่อย่าไปลบหลู่เขาเชื่อเขบอกเขาเช่ะ ก็ให้มาก็รับไว้แล้วก็ไม่ให้มาก็ไม่ทั้งอ่างตัวเขาจะมาหลอกคายกับเรียนถามอีกข้อใช่ค่ะใช่ค่ะก็ประมาณนั้นนะคะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจจะจะจะซื้อค่ะแสดงว่าเราไม่เป็นอยู่แล้วแต่ะ่กับเรียนถามพระอาจารย์อีกเรื่องนึงค่ะคือว่าเออเวลาที่เรา อย่างอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาเราจะสร้างสติในเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเวลากลางวันในในช่วงเวลากลางวันธรรมดาที่เราทำอะไรกิจภารกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์บอกว่าให้เรานึกพุทโธไว้อยู่ในใจใช่ไหมคะใช่พุทโธไม่ได้คอยคอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ไมได้จดจ่ออยู่กับงาน อ, อ, งางอย่อย่แล้วมีมีคน ที่ที่โยมคุยกับเขา่าเขาแนะนําว่าให้คือคือเขาเป็นเป็นเป็นน้องอะนะคะเป็นน้องของสา ม, เมีเขาบอกว่าเออให้นึกเอาพระไว้ที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะไว้ที่ที่แบบเหมือนกับที่หลวงพ่อสดบอกคือเหนือฐานกลางกายเหนือสะดืออย่างเงี้ยอันนั้นเป็นการสร้างสติหรือว่าเป็นการทํามสมาธิคะรู้สึกว่าที่เขาพูดนี้เขาในช่วงนี้เขานั่งเฉย ถ้านั่งเฉยๆมันก็แต่เวลาเราเคลื่อนไหวเราทําไม่ได้หรอกเคลื่อนไหวแล้วก็ดูการเคลื่อนเลี้ยวไปดูการเคลื่อนไหวหรือว่าใจเรานึกถึงพุทโธพุทโธแล้วก็ไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจเราติดจ่ออยู่กับคําว่าพุทโธอ่ไม่ไปคิดเรื่องไม่ไปคิดเรื่องไม่ให้สติเราไปที่อื่นให้เราอยู่ที่คอ แล้วออีกอีกอย่างนะค่ะทําไมเวลาเวลานั่งสมาธิถ้าสมมติว่ามีคนนั่งกันหลายหลาคนคือนั่งนั่งทางเฟซบุ๊กนะคะนั่งกันหลายหลคนน่ะเขากําหนดเวลานานๆชั่วโมงนั่งได้แต่พอเรานั่งคนเดียวเรานั่งไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะท่านคือแบบพอนั่งคนเดียวแล้วมันเหมือนไม่มีกําลังใจอ่าไม่มีกำลังใจหนึ่งแล้วบางทีก็อายเพื่อนด้วยก็เลยต้องพยายามน่งไม่ได้ เดี๋ยวเดีวรูปไปเราก็จะขายหน้าเขาโอ้ยนั่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่งนั้นต้องไปหาเพื่อนนั่งเป็นแบบเท้าคอร์สเป็นกลุ่มถ้าเรายังนั่งคนเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยเพื่อนหรือบางทีคนมาฟังทำเนี่ยเรามาฟังที่เราเทศวันครั้งชั่วโมงนี้เขาจะนั่งแต่ถ้าก็อยู่คนเดียวนั่งไม่ได้ก็ลองเปิดเทสยังคย่างนะที่เราเทศก็ได้แล้วฟัง อย่างทุกวันนี้ก็ฟังพระอาจารย์อย่างที่มีมีรีลันของปีที่แล้วที่วันอะไรที่ไม่ได้วันที่สด น, นะคะ่ะเพราะว่านั่งฟังแต่โยมไม่ได้นั่งหลับตานั่งนั่งคือเปิดเปิดเปิดดูแล้วก็นั่งมองดูมื อ, อถือไปบางทีก็เอานั่งหลับตาฟังเสียงไปดีกว่าฟังเสียงอย่างไม่ต้อดูอะไรอ๋อแต่อาจารย์มาฟังเสียงไปอ่า เขาเขาการเรียนถามมีข้อค่ะคือคนที่เล่นการพนันนี่เราทางพุทธศาสนานี่มีทางที่เราจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมคะคือพอดีมีมีญาติพี่ชายเล่นการพนันแล้วเราก็คือคือตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะจะช่วยเขาได้ยังไงแต่ว่าคือเขาเริ่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ากต้องช่วยตัวเองเขาต้องแก้ปัญหาของเขาเอง เราเราช่วยเขาก็คือเวลาเขามายืมเงินก็อย่าไปให้เขาไปก็ไม่ให้แต่แม่ก็ให้นะอ่นะ่งันก็เรื่องของแม่ไปแม่อดไม่ได้ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็บอกว่าตายและทําไมมัช่วยเขาหรอกให้ยืมเงินก็ไปช่วยให้เขาติดมากขึ้นเด่นมากขึ้นอเพราะว่า โ, โ, โยโมก็พี่ชายก็จะเจ็ดสิบแล้วโยโมก็หกสิบกว่าแล้วยังเลือกไม่ได้ทําไมเป็นแบบนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจั พาไปพบจิตแพทย์ก็ไม่รู้จะช่วยได้ไม่จิตแพทย์เขาก็เหมือนพระนี่ยพระเขาต้องเขาทำใจให้เข้มแข็งหรือแยกตัวออกจากที่ที่ไม่มีการไปอยู่ที่ไม่มีการเล่นการพนันอืมอาคือแสดงว่าเขามีจิตใจอ่อนอ่อนพอคิดถึงการพนันแล้วก็เกิดอาการอยากเล่นขึ้นมาทันทีอืมลองไปอยู่ในที่ที่ไม่เล่นการพนันไม่ได้ที่ไปอยู่วัดอย่าง อืมพรอยู่ไม่ได้ต้องใสอถือว่าจุตใจก็ อ, อ่อนแอมากเพราะควบคุมไม่ครับความอยากก็ไม่ได้<อ>ค่ะค่ะกามองเขาไปค่ะเราเป็นทุกข์ัองทุกก็ไม่ได้อยู่เลยค่ะก็ก็ก็นิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามพยายามคิดว่านั่นคืออย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านพูดนะคะก็คือว่าเป็นกรรม เป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ได้คำแนะนำได้คาแนะนำไปแล้วเาก็ไม่เชื่อเราก็ไม่รู้ยังไงว่าเราเป็นน้องเขาก็มาว่าว่าเราเป็นน้องอย่งมาสอบอย่างจะทำตัวจะเป็นแม่ก็เลยต้องเลิกพูดเป okay. ็นเรื่องกไม่ก็เนลนรออยู่ยอย่า<ต>สาธ<ด>ุค่ะคุณโยมจากเยอรมันเชิญได้อยู่เยอรมันเหรอเปิดไมคก่อนอันอนี้อุป นำ้ำตาการค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะอยู่ที่ไห น, นอยู่เยาานนอรมันค่ะอยู่เยอรมันค่ะติดต่อพระอาจารย์มาหลายครั้งแล้วค่ ะ, ะครั้งล่าสุดอยู่18ปีแล้วค่ะท่านพระาจารย์19ปีแล้วค่ ะ, ะวันนี้ยมมาช้าหน่อยยมเพิ่งกลับมาจากทํางานค่ะเลยเพอเห็นพระอาจารย์ไลฟ์เลยรีบเลยกลัวจะไม่ทันค่ะเ <laughs> พิ่งเข้าบ้านพอดีดนะค่ะ ยังมีคำถามค่ะท่านพระอาจารย์คือจากที่าถามพระอาจารย์ไปสองครั้งที่ผ่านมานะคะที่โยมทําภาวนาไปแล้วก็มันเป็นที่จมูกอะคะ่ะปลายจมูกเป็นโพรงยืดหยุ่นได้แล้วตรงกลางมันจะเป็นว่างๆอะคะ่ะแล้วริมขอบๆมันก็จะยืดหยุ่นได้ท่านลมหายใจหายไปแล้วไม่มีลมหายใจ ค, ค่ะหายใจยังไงก็ไม่มีลมหายใจทั้งพระอาจารย์บอกว่าให้โยมกําหนดรู้อยู่ที่จุดกลางๆที่ว่างๆอะคะ่ะ ระยมก็ทำตลอดนะคะระยมมีความรู้สึกว่ากลางคืนนะคะมีอะไรไหลกลับเข้ามาในตัวคะ่ะท่านพระอาจารย์อไหลกลับเข้ามาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คืออ่ า, อามันหดเข้ามานะคะท่านพระอาจารย์แล้วก็เป็นดวงเล็ ก, ล ก, ลกๆนะคะที่ปลายจมกูกระยมรู้สึกว่าดวงเนี้ยมันละเอียดมากแต่แรงมันมากด้วยคะ่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าไม่อยู่ก็ทำพุโทโธพุโทโธ ค่ะมันมันมีกำลังอยู่ในตัวค่ะบางทีโยมประคองมันไม่ดีโยมมีความรู้สึกว่ามันไหลพุ่งไปชนสิ่งของได้ด้วยอะคะ <S <S ่ะเป็นเสียงดัง่ะคะไม่เป็นไรก็รู้เฉยๆไปไม่รู้ว่าคือจัตใจ <S <S ตัวเอง ไม่มั่นคงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็พยายามไม่สนใจแต่ว่าทุกครั้งที่ประคองไม่อยู่มันพุ่งไปเรารู้เลยค่ะมันพุ่งไปทางทิศนี้มันจะไปชนของสิ่งนี้เพราะเรารู้ว่าบ้านเราอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันชนมันก็เป็นเสียงดังขึ้นมาจริงๆอะค่ะมันเป็นภาพในจิตแล้วไม่ได้เป็นของจริงค่ะไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะเ <laughs> มื่อกี้ยุมก็กลัวเหมือนกัน <laughs> ใจหวั่นไหวก็ทำบุญทอบุญทอไปค่ะค่ะแล้วก็ อ, อยากอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงเะว่าเรายังอยู่ในทางที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอะค่ะบางทีกลัวเหมือนกันคะ่ะเจออะไรหลายๆอย่าง ท, างที่อย่างที่เรียนท่านอาจารย์ไปบางทีเห็นสมองตัวเองอะไรย่างเงี้ยค่ะเลยไม่แน่ใจว่าถูกทางไหมให้ใพิจารณาตัวอย่างเป็นตายแล้วมันเกิดแล้วก็ดับไปภาพต่างๆที่มาประกอบขึ้นมันไม่ได้เป็นของจริงเป็ภาพ เปนมายาเป็นภาพประโยชน์มันผ่านไปแล้วก็มัาไ ป, <ะ>าไปอไหนที่มันมีประโยชน์ก็เก็บมาใช้ได้บางอย่างที่เราเห็นมันก็มาใช้เป็นพังปัญญาได้ก็มาใช้ได้<ะ>ถ้ามันเอามาใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเอามาแบกมันรู้ไว้ใช้ว่าใส่บากแบกค่ะค่ะคำถามสุดท้ายค่ะถ้ามันบอกว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ก็ อย่าเพิ่งไปเชื่อมันต้องถามต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นจริงหรือเปล่าถ้ามันบอก <c oughs> ว่าเราเป็นเทวดาอยู่ชั้นนู้นชั้นนี้นะจริงหรือเปล่าหือว่าอย่าไปเชื่อนะต้องต้องพิสูจน์ก่ <c oughs> อนค่ะอีกคําถามนึงนะคะท่านอาจารย์คะยมไม่ทราบว่าท่านพอาจารย์ไลฟ์แบบซูมตอบคาถามสดอย่างนี้ยคะ่ะเป็นประจําหรือเปล่าบางทียมอยาก อยากรู้ตารางล่วงหน้าเพราะว่าเวลาเราต่างกันหกชั่วโมงค่ะวันไหนเกิดเผื่อยมรู้ล่วงหน้ายมจะได้จัดการเวลาที่ทํางานตัวเองให้มาทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็เน่ยจะทุกคืนวันพุธเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มเมืองไทยไปอ้าวโอเคค่ะทุกคืนวันพุธนะคะยอมนึกว่าทําเป็นแบบถ้าถ้าวันไหนเราติดธุระเช่นมันเป็นวันพระเราต้องเทศกัางวันแล้วันนี้เราก็จะเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังวันหนึ่งค่ะ ยมนึกว่าทําเป็นแบบแรนดอมอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าอย่างงี้ยยมจะได้จัดการมากเพราะมันมันมันต้องเปลี่ยนนต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ก็พยายามจะเอาเป็นเป็นเป็นวันวันพุธแล้ววันอังคารนี้แล้วก็เข้าไปทางอีกหน้าหน้าภาษาอังกฤษถ้าอยากจะฟังภาษาอังกฤษก็เข้าไปในเพจภาษาอังกฤษได้ไเค่ะเข้าไปในเพจภาษาอังกฤษยังค่ะยมใช้แต่เพจเพจภาษาไทยตลอดค่ะ ถ้าอยากยานภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษก็เข้าไปในเพจภาษาอังกฤษได้เสียคําว่าเป็นสุชาติในเฟซบุ๊กเหมือนกันแล้วมันก็จะมีโพสต์มานะอันนี้ถ้าชาวภาษาอังกฤษก็เข้าไปในวันองนังคารเมื่อคืนนี้ค่ะเพ่ะจะได้ชักจูงพอบ้านมั่งอะไรเงรี้ยค่ะอยากให้เข้ามาทำเหมือนกันค่ะถ้าชอภาษาอังกฤษได้ก็เข้าไปทางนั้นได้ก็จะพยายามเลือกสาอังคารับพูด เว้นถ้าเกิดมันไปตรงกับวันพระหรือวันหยุดอ่จะต้องเ่อนไปข้างหน้าเละข้างหลังะเราี่ยพตอนกงวันก็ต้องเ้ศตอนคืนก็ต้องมาคุยก็จะอะไรจะเว้นไม่มีอะไรก็จะเป็นมาคืนนี้เนี่ยสองทุ่มองไทยเวลาสองทุ่มของคุณก็คงประมาณกลางวันใช่ไหมสองค่ะบสองค่ะบสองค่ะแต่เดี๋ยวคนเปลี่ยนเวลาไหม ทางประเทศเย่รมนีเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนไปเมื่อวันค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นตอนนี้ใช้เวลาเป็นใช้เวลาฤดูหนาวเป็นเวลาสแตนดาร์ดค่ะตอนนี้ก็ห่างจากเมืองไทยหกชั่วโมงค่ะอ่าเป็นเมื่อก่อนก็ห้าชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่อันมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนค่ะเราจึงไม่อยากจะกําหนดเวลาตายตัวเพราะเดี๋ยวมันกาหนดแล้วทำไม่ได้และเหมือนหลอกลวงชาวบ้านเนะค่ะ ก็ให้รู้ไว้ก็แล้วกันเกินวันพุธโดยหลักถ้าไม่ตรงกับวันพักวันหยุดราชการก็ก็จะค่ะโยมจะได้จัดสรรเวลาทํางานตัวเองอะค่ะวันพุธแต่จะได้รู้วยแล้วก็ถ้าไม่เจอคําถานค่ะอาจจะเื่อนมาเป็นอังคารเรื่อยไปวันพหุธถ้าไม่โทรมาค่ะค่ะร้านนีทุกคนแต่ไม่อยากจะพูดประกาศแล้วเดี๋ยวเดแล้วมันเหมือนทําไม่ได้มันไม่ดีนะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ คุณใบหยกคุณใบหยกได้ยินไหมมีคุณหนูหนูสองคนวันนี้สองชั่วโมงเนี่ยใบหยกคค่ะหนยมีคำถามอะไรไก็คือว่าตอนนี้ที่แม่บอกกับผมว่าตอนที่แม่น่นสมาธิเหมือนตัวแม่ยืดครับ เป็นความรู้สึก <ไป S 1> จิต <ไป S 1> จิตมันหลอกเรามนะันมันไม่ยืดหรอออกจากสมาธิมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมเป็นความรู้สึกมันหลอกเราจิตมันปรุงแต่งหลอกเราไปนะแล้วก็ให้รู้เฉยเฉยอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับพุทโธไปถ้าเราใช้พุทโธรถ้าเราดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจ<ป>จิตมันชอบหลอกเราบางทีก็พองตัวพองขึ้นบางทีก็ตัวหดลงเป็น เป็นอาการของจิตไม่ต้องไปสนใจเข้าใจไหมค่ะแต่รู้สึกสบายค่ะเนี่ยถ้าสบายก็โอเคอย่าหยุดนะอย่าหยุดพูดโธอย่าหยุดดูลมไปเรื่อยๆจะมีอาการปรากฏให้รู้อย่างไรก็อย่าไปสนใจให้เอามาอยู่กับลมอยู่มากับพูดโธถ้ามีอะไรทั้นน่ากลัวก็ให้คิดถึงว่าพุทธ็ทําพระสงฆ์ท่องพุโ ท, พทโธอุทามูสังโฆไป ค่ะสาทุกค่ะลูกสาวลูกสาววันนี้ลูกสาวคนโตมานั่งสมาธิฟังด้วยค่ะหชื่ออะไรจ้ะชื่อใบหยกค่ะอ๋อชื่อใบหยกนี่เขาเขรู้แล้วเนี่ยเครื่องนูเลยค่ะนี่อนะะนี้ หนูไม่มีคำถามค่ะคือว่าเชื่อกนี้หนูติดโทรศัพท์มากเลยค่ะหนูก็เลยอยากรู้วิธีเลิกติดโทรศัพท์มากค่ะอราก็เอาโทรศัพท์ให้แม่ไปบอกหนูตอนนี้ขอเลิกใช้ชั่วคราวให้แม่แล้วแม่ตั้งรหัสลับไว้เขาก็มาแก้รหัสได้อีกต่างหาก <c oughs> ครับก็หนูนต้องบอกว่าหนูอยากจะเลิกไงถ้าหนูหนูไปแก้หนู ก, ก็เลิกไม่ได้หนู ก, ก็จะติดไปเรื่อยๆ งั้นหนต้องเข้มแข็งอดทนสักไม่กี่วันเดี๋ยวก็เลิกได้ละแล้ว <Okay. S 1> ถ้าต่อไปก็ใช้เฉพาะเวลาจําเป็นต้องใช้ไปไหนไม่จําเป็นต้องใช้ก็อย่าไปใช้มันโทรศัพท์มันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้แต่ถ้าเอาไปเล่นเกมมาไปดูหนังมาไปอะไรมันก็ทําให้เราติดได้อย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะอันนี้ <Okay. S 1> มีเอาแค่แม่ไปเลยไม่ต้องไปสนใจ เพื่อนถามตอนนี้ตอนนี้เราใช้โทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อนถามจําไว้นะเลิกใช้แล้วครับเราเป็นคน<ะ>หนักแน่นต้องเดินเดียวตั้งใจอะไแล้ ว, ลวต้องทําให้ได้อย่าเปลี่ยนใจชนะใจตัวเองให้ได้แล้วเราจับสบายถ้า แ, แพ้ใจตัวเองก็ต้องเป็นทาตเข้าไปไเรื่อยๆ ที่บอกว่านั่งสมาธิเริ่มต้นยังไงนะถเราจะทำอ๋อวิธีนั่งสมาธิเริ่มต้นยังไงให้ให้สำหรับมือใหม่อ่ะค่ะออมือใหม่ก็นั่งนั่งสวดวนไปก่อนนั่งหลับตาแล้วก็สวดอิติปิโสสวด น, น้าโมไปก่อนสวดไปสักพักแล้วก็หยุดแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อดูที่ปลายจมูกดูเฉ ย, เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรดูให้รู้ว่าลมเข้าลมออกที่ปลายจมูก ไไดูไปเ่อยๆใจย่เย็นใจอย่ามีความสุขะอตีกันเล่นโทรศัพท์เด็กลุงตาคะสําหรับเด็กวัยนี้ยให้เขานั่งสักประมาณกี่นาทีถึงจะแบบอยู่ในเวลาที่เหมาะสมอะค่ะน <u> uh> <IS together> ังตามกําลังเราบางคนอาจจะนั่งได้นานบางคนจะนั่งไม่ได้นานก็ให้เขานั่งไปตามกําลังค่มีมีอย่างน้อยประมาณสักเท่าไหร่ไหมคะ อย่างน้อยห้าสี่สิบนาทีขึ้นไปอ่าได้ยินนะลูกห้าถึงสิบนาทีนะคระก็สี่สิบนาทีเลยปกติโยมก็ให้เขานั่งประมาณเนี้ค่ะเปิดโ น, น, อน้ตแล้วก็ถ้าอยากจะนั่งนั่งมากกว่านั้นก็ได้ไมหมห้าแต่อย่างน้อยต้องบังคับว่าอย่างน้อยเอาสักสิบนาทีก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปทีละนิดก็ได้สิบนาทีเป็นสิบห้านาทีเป็นยี่สิบนาทีไหมค่ะสรู้ค่ะลูกชายมีสารภาพ เขาที่แล้วมากาบหลวงตาแล้วก็ทํากันบ้านแข่งเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมนั่งสมาธิได้ทํำไหมครับไม่ได้ค่ยได้ทนมมือด้วยลูกแล้วทำอยู่ครับแต่ไม่ค่อยได้ทำเลยครับไม่ค่อยก้าวหน้าค่ะหลวงตาไหส่วนมนเห น, นื่ออะไรวันนี้อะค่ะที่ว่าให้เล่นที่เขาที่แล้วที่มาบอกว่าให้เล่นเกมนั่งสมาธิส่วนมนแทน เขาไม่ค่อยก้าวหน้าค่ะเขายังแอบขโมยเล่นโทรศัพท์อยู่อ่าลองโทษตัวเองเถอะหนูลองว่วันนี้เขางดค่าขนมไม่ซื้อขนมกินทุกครั้งผมทำผิดขนมไม่ได้ซื้ออยู่แล้วครับคนจ่ายค่าขนมยังไม่ได้จ่ายมาสองอาทิตย์นะครับนี่รายการเฉนะเนี่ย อหนูต้องเข้มแข็งต้องพยายามพยายามทําในสิ่งที่เราตั้งใจให้ได้ตั้งใจจะจาไม่เล่นเกมก็ต้องไม่เล่นเกมถ้าเล่นเกมก็ต้องลงทโทษตัวเองหนูลงโทษตัวเองเป็นไหมไม่เป็นค่ะทำยังไงดีคะรู้ไม่รู้วิธีลงโทษตัวเองค่ะคิดไม่ออกก็ <c oughs> ถ้าเคยกินขน ม, ขนมก็หยุดกินสักวันหนึ่ง หมอติไม่ได้กินเลยค่ะชอบกินขนมมากที่โรงเรียนเห็นเพื่อนกินเริ่มหิวเลยค่ะวันนี้วันนี้น้องสาวคนเล็กน้องมุกไหมง่วงนอนก็เลยหลับไปก่อนค่ะเด็กๆมาช้านิดนึงเพราะว่าโยมให้เขาเคลียร์กันบ้านก่อนค่ะพระอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้มีสอบรายภาคด้วยค่ะอ่าหนูน่าซื้อนี่ก็เด็กแล้วเตรียมเข้านอนได้แล้วนะเดี๋ยวต้องงี้่าตื่นแต่เช้า เดี๋ยวปิดเทอมจะไปกราบพระอาจารย์นะคะพราจาธย์จะขอบคุณดีกว่านะค่ะขอบคุณค่ะชาทุกค่ะคนวิไลปิดวีดีโออยากจะพูดไหมคุณวิไลคุณวิไลจันจันจารตาลินทุกเนี่ยจันตาลินทุกปิดปิดไม่คงจาไม่ไม่ต้องการพูดนะแต่ไม่ได้ไม่ไม่เห็นภาพเมื่อกี้เมื่อกี้ถามเขาแล้วฮะเขายังไม่เปิดครับ โอเครู้สึกว่าหมดแล้วนะนอกจากมีท่านพาวินท่านอยากจะถามอะไรอีกเหรือมีไหมเรื่งว่าอาจารย์อไม่มีครับไม่มีนะโอเคก็ไม่มีครับไม่มีครับมีคำถามมีใครที่อยากจะถามี่ยังไม่ได้ถามก็ยกมือได้นะครับบอกแอดมินได้ตอนนี้เราที่ว่าคนที่เข้ามาทั้งหมดนี้ก็ได้ได้ได้ถามกันหมดทุกคนแล้วมีมีทางเฟซบุ๊กนะครับอาจารย์มาเชิญเลย ออมีคําถามจากทาง Facebook, เฟซบุ๊กแปดคําถามเจ้าคะ่ะคําถามแรกจากคุณธนกรความหมายของคําว่าพิสุแปลว่าจะเข้านิพพานหรือคะไม่ใช่คําว่าพิสุกคือผู้เห็นภายในวัฏสงสารเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดจึงไปบวชเพื่อให้จะได้ออกจากวัฏสงสารไปเข้านิพพานต่อไปคําถามต่อไปจากคุณสุขสันติ นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาครับอ๋อนิพพานเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงคำถามจากท่านเดิมทำไมคนเราต้องทุกข์ครับเพราะกิเลสไงเพราะความอยากเพราะความโกรธเนี่ยทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปโลภอย่าไปโกรธมีอะไรก็อย่าไปอยากได้ใครพูดอะไรก็อย่าไปโกรธเขา เกียรตใจก็ยังไม่ทุกข์คำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์กาบเรียนถามเรื่องการนั่งสมาธิถ้านั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะผิดหลักหรือมีผลอะไรใหม่ครับไม่มีครับหันหน้าไปที่ไหนก็ได้คำถามต่อไปจากคุณสินตึงการภาวนาจะต้องข้ามเวทนาไหมครับหรือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับก็ส่วนหนึ่ง การภาวนานถ้าจิตสงบมันก็จะข้ามโดยอัตโนมัติถ้ามันไม่สงบมันก็จะไปติดกับเวทนาเหมือนก็ต้องพยายามใช้สติข้ามมันไปคำถามต่อไปจากคุณสุขสันติทำไมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงถูกมองว่าทุกข์ครับทั้งๆที่ตัวทุกข์นั้นสาเหตุเกิดจากอัตตาคือมันเป็นมันเป็น มันเป็นตัวที่ทําให้จิตไปทุกเนี่ยจิตไปหลงไปยึดไปติดอะไทําให้ทุกตัวที่ทุกไม่ใช่ตัวขันห้าไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารตัวที่ทุกคือใจเราเนี่ยที่เป็นแต่ว่าใจเราไปติดไปยึดไปติดว่าขันห้าเป็นเรามันก็เลยทําให้เราทุกขึ้นมาทําให้ใจเราทุกคํถาถามต่อไปจากคุณตวิสากราบนำ้ำพระราบนมัสการท่านพระอาจารย์คะ่ะ ขอเรียนถามค่ะว่าขณะที่เรากําลังจดจ่อกับการกระทําสักอย่างแบบตั้งใจมากๆเช่นขณะทําครัวแล้วเกิดมีเสียงดังมากหรือใครบางคนเดินเข้ามาทางด้านหลังแล้วเราตกใจอันนี้แปลว่าเราขาดสติไม่มีสติแล้วหรือเปล่าคะถ้าใช่แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรต่อในการฝึกสติต่อคะ คือมันเป็นสัรชาติยานของเราเนะ่พอมีอะไรมาใกล้ตัวเราเราก็เกิดอาการตกใจขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการขาดสติถ้าขาดสติก็คือพอตกใจแล้วก็ทีนี้ก็เป็นลมไปนะถึงจขาดสติถ้าตกใจปุ๊บแล้วก็มันหายไปแล้วเราก็ยังเฉย อ, อยู่ก็แสดงว่าเรายังมีสติอยู่ถ้าเกิดเกิดตกใจตื่นเต้นหวาดกลัวขึ้นมาเนี่ยถึงเรียกว่าไม่มีสติ แตถ้ารู้แล้วเฉยๆรู้ว่าตกใจปุ๊บแล้วก็กลับมาเฉยได้เพราะแสดงว่าเรามีสติอยเรื่องตกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาของจิตพอมีอะไรมากระทบใกล้ตัวมันก็จะเกิดความตกใจขึ้นมาได้ห้ามไม่ได้คำถามสุดท้ายจากคุณเนนะกราบถามว่านั่งสมาธิแล้วจิตรวมกับหลับแยกได้อย่างไรครับ ร, รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ถ้าไม่รู้ตัวก็หลับถ้ารู้ตัวก็ไม่กาไม่หลับเหมือนเราคุยกันเนี่ยถ้าเราคุยกันเรารู้ตัวเนี่ยสแสดงว่าเราไม่นลัแต่ถ้าเราฟังไปฟังไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยสแสดงว่าเราหลับมหมดแล้วเจ้าค่ะวเวลาก็หมดพอดีนเนี่ยสองชั่วโมงกับสิบสองนาทีแล้วเนี่ยมีใครถามอีกว่ามีใครถามให้คุณคุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับ ยัง <mile> ไม่มีคนยกมือครับกฤษดาอ่าโอเคครับคุณกฤษดากดกดอันนิวได้เลยครับครับเชินสามเดินคุณกฤษดาครับน้ำมัสการครับหลวงพ่อครับคือผมอยากสอถามอย่งครับในการทําสมาธิในการกําหนดกําหนดลมหายใจพุทโธพุทโธสามารถทำได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับน่าจะเดินนั่ง ได้ได้ให้มีคำพุูดทวนและลึกอยู่ในใจตลอดเวลาได้อืมได้ครับตอนนี้คำถามนะครับโอเคคือผมอยากถามว่าถ้าสมมติการนั่งสมาธิผมเริ่มนั่งแต่บางครั้งมันก็จะมีแบบมันจะหลุดตลอดอะครับมันต้องฝึกนคือผมเองเนื่อจากผมนั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้ครับเนื่องจากตัวผมตึงอะครับผมวงพ่อมนั่งตรงที่ปกติก็ได้ใช่ไหมครับอือได้ครับ ที่มันมันขายก็คือสติต้องพยายามฝึกสติบ่อยๆครับก่อนที่เรามาเน้นพยายามหมั่นท่องพุทธโทไปเรื่อยๆก่อนครับโอเคนะอันนี้โอเคครับวิเชิญว่ายังไงสอบคุณแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวครับแต่ไม่ไม่มีใครยกมือแล้วครับโอเคเดี๋ยวมีครับคุณกล้องคุณกล้องเช่คุณกล้อง ถ้าจะเอ่อผมรู้สึกว่าได้ฟังธรรมเรื่องการอบเพื่อเนี่ยครัก็ให้เราพบเอ่อทุก ค, คนที่ดีอย่างเนี้คก็รู้สึกว่าบางีมันสับสนมากเลยครับเพราะว่าเราควรจะพบใครเนี่ยเพราะบางคนมันก็เหมือนกับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับถ้ามันก็เหมือนพอเราพอเรามาทางเหมพอเราอยากก้าวหน้าทางธรรมมาอย่า้ค หลาเราจะแบบว่าหาเพื่อนที่คุยกันเข้าใจา ง, ง่ายากยากมากในในวัยเดียวกันก็ขอคบคนที่ดีคือคนที่มีศีลดีท่นคนที่ไม่เสบอาบายามุกเนี่ยเป็นคนดีคนที่เสบอาบายามุกนี่ถือว่าเป็นคนไม่ดีเพราะอบายามุกนี่ยมันจะพาให้เราไปสู่ความหายณนะต่อไปได้ ถ้าเขาชวนเราไปเดินสซลาเราก็ไม่ควรจะไปกับเขาชวนเราไปเล่นการวันนั้นชวนเราไปเที่ยวชวนให้เราเกียดเขาล้วก็อย่าไปทำกับเขารู้จักกันได้คบค้ากันได้แต่ไม่ควรไปทํากิจกรรมที่มันเสียหายกับเขามันจะยากถึงที่เราเกรงใจเขาพอเราครบกับเขาสนิทแล้วเดี๋ยวเขาชวนเราไปเอาไม่ไปเขาก็พูดว่าอะไรว่าเพื่อนฝูงอย่างโน้นอย่างนี้เราใจอ่อนเราต้องเข้มแข็งเราต้องรักตัวเรามากกว่ารักเพื่อน เพือ่อนหาใหม่ได้เสียเพื่อนคนนี้เหลือห า, หาเพื่อนคนใหม่ได้แต่เ ส, สียตัวเรานี้ยากตึงตัวเราให้กลับมาดียากนะถ้าเสียแล้วเนี่ยรักตัวเราให้มากกว่ารักเพื่อนนี่เป็นไรเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องของความจําเป็นที่จะต้องรักษาตัวเราไว้ก่อนเพื่อนนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนคนในโลกนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียได้แล้วกับเพื่อนที่ไม่ดี ก็ชวญเราไปทําอบายอย่างนี้ตัดก็ได้ชวนเราไปทําบาปนี้อยไปโดยเด็ดขาดแล้วก็ยังคบกันได้ไม่รําเกียจกันแต่เพราะเราต้องมีจุดยืนของเราว่าถ้าชวนเราไปเสพอบายอย่างนี้ไม่ไปชวนเราไปทําบาปไม่ไปเอาหลังนี้ก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้จะไปคบใครดีคบได้คบว่าเราต้องเจอคนเยอะแยะทั้งในในชีวิตของเรา เรคบกันได้ทักทายกันได้ชวนไปกินข้าวไปกินกันได้ชวนไปทําในสิ่งที่ไม่เสียหายก็ไปได้แต่พอชวนให้เราไปทําในสิ่งที่เสียหายแล้วอยากไปดูเป็นเป็นเหตุการณ์เป็นบางเรื่องที่เราชวนไปดูพฤติกรรมดูพฤติกรรมรู้กิจกรรมที่เราจะไปทําถ้าเป็นกิจกรรมที่เสียหายก็อย่าไปทํา แต่เดี ว, ว่าเราไปเสนอจากเขาแล้วบางทีเราเกลียนใจเขานี่ยืเราอยากไปเกลียนใจเขาเราต้องตัดเราต้องตัดใจเมื่อถึงเวลาที่เขาจะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเราต้องตัดทันทีอย่าไปเสียดายเราไปทําผิดแล้วมันแก้ยากนะเปลี่ยนเพื่อนง่ายกว่าวันนี้ไม่ดีเขาไม่อยากจะครอบเราก็ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยเขาไป แล้วก็มีคนต้องเยอะแยะในโลกเลยเนี่ยเข้ามาในเนี่ยได้เจอเจอแต่คนดีนส่วนใหญ่ที่เข้ามาความธรรมนี้นะโอเคนะเอาแล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน